กลับนักวิชาการครับอาจารย์ครับญาณพร ค, คุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นไลฟ์แรกของปีเลยครับอาจารย์ครับเป็นวิสัญญะธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะครับอาจารย์ครับ <ừ> ก็เกือบจะเข้าสามปีครบสามปีพฤทภาโมง น, นี้ครบสามปีนะใช่ครับอาจารย์ครับครบสามปีครับจะขอโอกาสอาจารย์จัดไปเรื่อยๆครับตามตนที่มีแงรงครับอาจารย์ ถ้าไม่มีคนสนใจอยู่ก็จัดก็จัดได้ถ้าไม่มีคนดูก็คงจะต้ อ, อยู่นครับอยามีคนดูอยู่เยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์อาจารย์ครับเมื่อวันปีใหม่คนไปใส่บาทยเยอะเลยแะครับอาจารย์วันปีใหม่มันต้องพ<อ>ันห้าร้อยเก้าสิบเป็นน h i g ฮตั้งแต่มีจับามานี้ยอดสูงสุง<อ>ดเมื่อก่อนปีก่อนๆก็รู้สึกแค่พันสองถ้าท่าน จ, จาได้ อ่าปีนี้พันหกพันห้าร้อยเก้าสิบขาดอีกสักสิบในพ<ม>ันหกก็มีปัญหานิดหน่อยเรื่องการจราจรติดขัดช่วงที่แจกอาหารให้คนยนต์เข้ามารับของไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมาเป็นเข้าไปยืนกีดขวางทางเรียวซ้ายผ่านตลอดรถเลยติดยาวที่สยายสามแยกไฟแดง ก็เลยมีการมาปรึกษาคุยกันแล้วก็จัดระเบียบหาที่แจกใหม่มาแจกที่ตลาดาวัดอัมพารรแทนก็ทุกอย่างตอนนี้ก็เรียบร้อยดีรถไม่ค่อยติดแล้วน่า<อ>จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมกลับมาดูครับอาจารย์แล้ววันนี้คนใส่บาทเยอะไหมครับอาจารย์วันนี้วันนี้ก็สี่ร้อยสี่สิบสี่วันนี้เลขสวยตังคสี่สี่สี่แลวันนี้ก็สี่รอยี่ ช่วงนี้รู้สึกสาวที่มีมากขึ้นกว่าเดิมธรรมดาสาวที่มันจะมากแค่สามร้อยกว่านี่เกินสามร้อยไปสี่ร้อยกว่าครับผมผมยังคิดว่าคนจะมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจารย์ครับ้ก็เขา้าเส็งเวลาเข้าได้ทำบุญแล้วก็มีความสุขกันนะครับผก็ดีใจยินด้วยยินดีครับ อาจารย์ครับเนื่องจากเป็นไลฟ์แรกของปีก็เลยอยากวันนี้อยากจะฟังเรื่องแนวทางการปฏิบัติให้ตรงครับไม่หลงทางเพราะว่าปัจจุบันก็มีสื <sack surface> ่อมีคําสอนที <out> <S <S ่ฟังดูแล้วก็มีหลายแนวทางมากเลยครับไม่รู้จะเชื่อใครเชื่อยังไงครับแต่กับขอแนวทางตรงๆจากอาจารย์เลยครับผมก็มีคําถามอันนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลในช่วงที่พระบุมทาสจะเสด็จดับคันท่านพระนิพานมีปรริภาชกคนหนึ่งก็ มีปัญหาขาดใจเขาอยากจะเข้าไปกราบถามพานมันก็บอกอย่างเปเลยท่านกำลังจะนิพพานแล้วท่านจะสิ้นลมนะพอพอดีพระพุทธเจ้าได้ได้ยินเขา้าพระพุทธเจ้าเลยบอกอนุทิปไปก็เข้ามาเถอดใช่ันนี้ก็เลยเข้าไปกราบว่าเราจะทราบได้อย่างไงว่าทางไหนเป็นทางที่ถูกที่จะนําไปสู่การบรรพชัยจากความทุกข์ว่ามีคําสอนหลากหลายด้วยกัน ห ล, หลายลัทธิหลศาสนาสอนกันไปคนละแนวทากันพระพุทธเจ้าก็ตอบว่ า, าคําสอนใดก็ตามถ้ามิมัมกเป็นองแปดอยู่คําสอนนั้นเป็นคําสอนที่ถูกต้องที่จะนําไปสู่การลดทอนจากความทุกข์ได้มักที่มองไปก็คือมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นชอบเป็นอย่างไรก็เห็นว่าทุกเกิดจากการกระทําบา ทุกเกิดจากการมีความอยากการตันหาภวตันหาวิภวตันหานี่คือความเห็นที่ถูกต้องธรรมารทิฏฐิถ้ามีครับถ้ามีธรรมทิฏฐิแล้วก็ต้องมีข้อที่สองส า, สามมาสามโปะเป็นความคิดที่ถูกต้องก็ ค, คิดทำบุญคิดละบาปคิดคิดหยุดความอยากกันก็นำไปสู่ข้อที่สามสามมารกรรมโตคือการกระทาชอบ เมื่อการกระทําชอบเป็นยังไงก็ก็ต้องไม่ทำบาปเพราะทําบาปมันจะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็เลยต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีออันนี้ก็เป็นการกระทําทางกายสัมมากระมันโตัวสัมมาวาจาก็ต้องไม่พูดปดมเนี้ยมีสี่ข้อนะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนำไปสู่ความคิดที่ถูกต้อง นำมาสังเโปนําไปสู่การกระทํำการพูดที่ถูกต้องคือไม่ทําบาปยุบรักษาศีลห้าง่ายๆนะแล้วก็นําไปสู่การมีอาชีพที่ถูกต้องคือไม่ไปเบียดเบีย น, น, นผู้อื่นไม่ไปทำให้พูดเช่นเช่นทําอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้เป็นอาชีพที่ไม่ไม่ควรทำํำพราะไปสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นแล้วความทุกข์นั้นมันก็จะกลับมาหาเรา เราก็จะไม่สบายใจถ้าเราคิดเล็กๆเข้าไปแล้วก็มาข้อที่ข้อที่ห้าข้อที่หกนะใช่ไหมข้อที่หกข้อที่หก็คื อ, อการมีความเพียรชอบก็เพียรอะไรก็เพียรละบาปเพียรละความอยากการให้หมดไปจากใจพอเป็นตัวที่ทําให้เกิดความทุกข์ แล้วจะละละด้วยอะไรก็ต้องละด้วยสติกับสมาธิก็ต้องเพียรเจริญสติสัมมาสติัมมาสติก็คือคิดคือหยุดความคิดให้จิตอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อหยุดความคิดต่างๆของจิตเพราะถ้าหยุดความคิดได้ก็จะหยุดความอยากได้เพราะความอยากต้องอาศัยความคิดเป็นผู้นำทาง แล้วก็ข้อสุดท้ายก็สัมมาสมาธิให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบในออเบคาในรูปประฌาน4ี่ขึ้นไปนี่คือสัมมาสมาธินี่คือมรรคที่มีองค์แปดตั้งแต่สมาทิติความเห็นชอบสัมมาสังกปรความดำริชอบสัมมาวะสัมมากรรมันโตการการะทาชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมาชโว อาชีพชอบสัมมาวายามุความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิเพียรเช้าก็เพียรเพียรเจริญสติเพียร น, น, นั่งสมาธิเพื่ให้ใจตั้งมั่นอยู่ในอุบเบกขาพรมีอุเบกขาก็สามารถใช้ปัญญาละความอยากต่างๆได้เพราะจะเห็นโทษของความอยากว่าเป็นตัวที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา ตัวที่พายต้องไปเวียนว่าทายเกิดอย่างมันจบจบจากสิ้นอันนี้นะคือคือทางสู่การหรุลุพ้นจากความทุกข์ขอให้เราดูดูมรกคแปดซึ่งบางทีมรรคแดก็สแสดงอยู่ในลักษณะ 3, สามศีลสมาธิปัญญาปัญญาก็มีองค์ประกอบอยู่สองสมาสมาธิติสมาสังโปะ ศีลก็มีสมาคมมันโตสัมมาวาจาสัมาจิโะสมาธิก็มีสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นองค์ประกอบบางทีท่านก็สรงแสดงแบบสั้นๆก็บอกให้ฝึกษัดให้เจริญศีลสมาธิปัญญาแลถ้าไปสอนคารวะท่านก็เพิ่มอีกข้อนึงก็คือทานทานศีลแล้วทานศีลสมาธิปัญญา สมาธิปัญญาทั้งก็มารวมกันเียกว่าเป็นภาวนาสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาสมรมะก็คือการเจริญสมาธิวิปัสนาภาวนาก็คือการเจริญปัญญามันก็เป็นมรรคเหมือนกันเพียงแต่ว่าเพิ่มถ้าสอนคาระวะเพิ่มการทำบุญทำทานเพระาะคาววะจะใช้เงินทองเป็นการตอบสนองความอยากอยากหาความสุขต่างๆ ธรรมะภาคนี้ท่านละแล้วเรื่องเงินทองท่านลู้แล้ว่าการใช้เงินทองตอบสนางความอยากนี่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจท่า น, นก็เลยไม่สละทรัพย์สมบัติข้อของเงินทองมุ่งไปที่การจเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาแต่หน้าเป็นผู้ครองเงินนี้ยังยังต้องใช้เงินซื้อความสุขต่างๆอยู่เป็นไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยของที่ไม่จําเป็น ของหนูา้าของอะอางนี้อันนี้เป็นเรื่องการการมาตัญหาความอยากในการอยากนั้นเปียนเกิสก็ต้องสอนให้ทำทานการใช้มือดตบสนองความอยากเป็นการเสริมให้เกิดความทุกข์ใจเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจด่าไปทำมูลนี่เป็นเหมือนกับเป็นการไปตัดความอยากแล้วสร้างความอิกมไว้ให้กับใจ เวลาเราทำเงินเราจะมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจเวลาเราทำทำไปซื้อไปทําตามความอยากแล้วเราจะรู้สึกิวมันไม่อิ่มมันไม่พอไปเที่ยวแล้วคราวนี้แล้วก็อยากจะไปเที่ยวอีกซื้ออะไรมาแล้วก็อยากจะซื้ออีกเราคนซื้อรถเป็นสิบสิบคันเลยก็มีคนที่มีสตางคนชอบนาฬกาเราซื้อนาฬการมั้นกี่กี่พอมีเงินแล้วมันรู้สึกเวลาซื้อแล้วมันมีความสุขไง แต่มันกลายเป็นยาเสพติดไปเลมันรู้สึตัวที่เป็นแล้วเวลาไม่ได้ซื้อมันจะทุกข์ากะในใั้นเปลี่ยนวิธีถ้าอยากจะมีความสุขจากการใช้เงินให้ใช้เงินด้วยการทำบุญทำทานเพราะบุญการทำบุญทำทานเหมือนให้อาหารกับจิตใจส่วนการไปทใช้เงินซื้อของตามความอยากนีเป็นเหมือนกับซื้อยาเสพติดให้กับใจ เสร็้วมันติดแต่มันจะหิวมันจะไม่อิ่มไม่พอต้องเสพอยู่เรื่อยเวลาไม่ได้เสพก็จะทุกข์ทรมานใจอย่างนี้คือปัญหาของการมีเงินทองมีแล้วก็ตอบส่วนใหญ่ก็เอาไปตอบสนองตันหาความอยากแล้วสร้างความทุกข์ขึ้นมาให้โดยไม่รู้สึกตัวก็จะต้องหาเงินหาทองมาตอบสนองความอยากอยู่เรื่อย พอรู้ว่าถ้าขาดเงินขาดทองเมื่อไหร่มันก็จะมันก็จะทุกทันทีเพราะมันสามารถไปทำสิ่งที่เคยเคยทำได้มันก็จะวนเวนอยู่กับการหาเงินใช้เงินไม่มีเวลาที่จะไปะปฏิบัติสีสมาธิปัญญาได้พวกพวกคนที่เห็นทอของการมีเงินมีทองการหาเงินงาหานทองก็เลยต้องสารพับสมบัติไปแล้วก็ไปบวช พระพุทธเจ้าก็าเสด็จออก่ากในวังไปพระสาวกทั้งหลายก็เป็นฆราวาสมาทั้งนั้นไม่มีใครมาเกิดเป็นสาวกขึ้นมาทุกคนก็เกิดมาเป็นชราวาสอยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมของผู้ครองเรือนก็ต้อ ง, ห า, ง, ง, าองหาเงินใช้เงินกันไปเป็นเป็นปกติถ้ามัวแต่หาเงินใช้เงินมันก็จะไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติศีล ส, สมาธิอย่างเต็มที่เพื่อกําจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นเป็นอยากใจ ก็เาให้เราดูตรงนี้ว่าเราปฏิบัติแบวนี้หรือเปล่าเราทําทํทำทานรักษาศีลภาวนาหรือเปล่าหรือาถ้าเราเป็นพระเราก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอยู่หรือเปล่าหรือถ้าอยากจะดูละเอียดก็ไปดูที่หน้าแปดครับอาจารย์ครับสังเกตว่าพวกเราประชาชนทั่วไปก็จะเหมือนกับไม่มีอัตติอัิจฉาโถเหมือนกับ เราพยายามจะจะไปไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ทํานู่นทนํานี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องใช่ไหมครับอาจารย์ครับเพราะการขอมันไม่ได้อยู่แนละ้วมันไม่ใช่เป็นเหตุเหตุที่ทําให้ได้ผลที่เราต้องการนะครับเหตุที่จะเรามันต้องอยู่ที่การกระทําของเรามันมีสองอย่างที่เราที่เป็นเรื่องของการเหตุผลเป็นเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความสึกความเจริญมันมีอยู่สองแบบนะครับความศึความเจริญ ความสุขความเจริญของจิตใจหรือความสุขความเจริญของโลกกระทำส่วนใหญ่คนในโลกก็อยากจะมีความสุขความเจริญในโลกกระทำในลาบยศสรรเสริญศพใช่ไหมทุกคนที่ไปขอพรไปสุกกาบไหว้ไปทํำอะไรก็เพื่ออยากจะให้ร่ำรวยมียศมีตําแหน่งมีเกียรติมีรางวัลมีคนยกย่องนับถือมีรูปเสียงกินเล่นมาให้เสพอย่าง เหนือเฟือแต่ของพวกนี้มันอยู่ภายใต้กฎของไตาลรักอะ่ะมันอันนี้จังมันไม่แน่นอนอ่ากอนบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้จะขอหรือไม่ขอจะจะพยายามทํามากทําน้อยบางคนก็ทําแล้วไม่ได้ก็มีบางคนทำแล้วได้ก็มีแต่จะไปขอเฉยๆมันเป็นไปไม่ได้ใช่มไหมคุณหมอ คุณหมออยากจะไปเป็นหมอเนี่ไปขอสารเจ้าเขาบอกจะขอให้เป็นหมอโดยที่ไม่ต้องไปเรียนหนังสือได้ไหมไโรคกรรมมันมีเหตุแต่คนไม่คิดกันคนคิดแบบพอถูกคนเข้ามารวยแล่ลว่าไปกราบพระวัด น, นี้กับนบระจะทุกอย่างจะดีขึ้นรวยขึ้นแต่ตะกิอะไรมันก็เลยหลงหลงมองทางกันไปได้ไม่ใช่ไม่ใช่สติปัญญาพิจารณาค่ายควร คนนี้ก็มีสติปัญญาเขาไม่ไปขออะไรเลยก็ดูฝรั่งประเทศที่เขาเจริญกับเราเขาไม่ขอแล้วเขาเขารู้ว่าต้องทําอ่ะเขาต้องทําแล้วเขาก็ร่ํารวยกันไปถามบิลเกตแล้วไปเคยจุดทูบเทียนขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ะไม่มีหรอกอันนี้พวกนี้เขาอย่างน้อยทางพวกพวกฝรั่งพวกที่เขาไม่มีศาสนาแต่เขามีเขามีหลักการตามหลักความเป็นจริง เขารู้ว่าโลกกระทำทั้งสีนี้มันจะเกิดขึ้นได้เกิดจากการขวนขวายของผู้ของเราเองเราจะได้ไม่ได้ก็บางทีก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายประการด้วยกันบางคนก็รวยบางคนก็ไม่ด้วยคนจบมาอะไรเดียวกันฮาร์วารดเไมทีบางคนก็รวยบางคนก็ไม่รวยบางคนก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตบางคนก็ไม่ได้เป็นเพราะมันนี่มันเป็นเรื่องของกฎตายรักกฎอนิจจ์ทุกขังวัตฏะ แ้่ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่คือเรื่องของความสุขความเจริญของจิตใจอันนี้มันอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอันนี้ได้แน่ๆทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถ้าทําบุญไปสวรรค์ไปนิพพานได้ถ้าทําบาปก็ไปอบ า, ายอันนี้แน่นอนไม่ไม่ไม่เข้าใจกไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเอาสองเรื่องมาปนกันคิดว่าทําบุญแล้วใส่บาปแล้วเดี๋ยวจะรวยถกหวย เนี่ยวันที่ออกวนี่คนจะซื้อคนจะใส่บาตกันเยอะ <c oughs> นี่มันมันจับแพะชนแกะกันเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรกันสับสนเงินไปหมดมันต้องแยกทางโลกกับทางธรรมกฎแห่งกรรมนี่เกี่ยวกับทางโลกไอ้เกี่ยวกับทางธรรมเกี่ยวกับทางด้านจิตใจอยาจะยกระดับจิตใจจากมนุษย์ทั่ไปเป็นเทพเป็นพรมเป็นพระอริยะบุคคลนี้ต้องทําความดีตัดกิเลสละกิเลส ล, ล, ละบา ทำสามอย่างลนะบนะาปทำบุญแล้วก็ปฏิบัติเพื่อตัดกิเลสความตันหาความอยากต่างๆอันนี้ก็จะได้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปทางระดับจนถึงขั้นสูงสุสดคือพระนิพพานได้แต่ถ้าไปทำบาปนี่มันก็จะทำให้ยังให้จิตใจลงต่ำไปอับายไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปตเป็นอสูรลกายไปเป็นนรกไปอันนี้กฎแห่งกรรมนี้ตายตัว แน่นอนชัดเจนใครทำลายได้อย่างนั้นพระุทธเจ้าบอกเรามีกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมบรรได้ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราก็ไม่ใช่ร่างกายเราก็คือจิตใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตามีแต่ความรู้สึกนึกคิดที่หลังจากร่างกายนิ้ตายไปแล้วเรานี่แหละคือดวงวิญญาณที่จะไปเกิดสวรรค์ไปสวรรค์หรือไปอบายก็ อ, อยู่ที่บุญนิษฐิบาต ท, ที่เราทํากันนี้ ถ้าศึกษาแลมันก็ไม่รู้จะไปขออะไรจากใครเพราะมันขอไม่ได้ไม่มีช่องว่างให้ขอได้เลยขออย่างเดียวที่ขอได้ก็ขอความรู้นั่นเองถ้าไม่รู้วิธีการปฏิบัติขอได้เข้าเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ขอความรู้เบื้องต้นต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ความรู้ก่อนให้ความรู้วิธีที่จะทําให้เราเจริญทางด้านจิตใจเพราะทางโลกมันไม่ใช่เป็นการเจริญอย่างแท้จริง มันเป็นการเจริญชั่วกาวพอร่างกายตายไปความเจริญที่ได้จากโลกธรรม ท, ทั้งหมดก็หมดไปหมดเลยไม่มีอะไรติดตัวไปกับใจได้เลยแต่ความเจริญและความเสื่อมของจิตใจนี้มันติดไปกับใจหลังจากที่ร่างกายตายไปแลนะ้วให้เราก็เลยต้องโสดขนขวาในเรื่องความสุขความเจริญทางหน้าจิตใจแล้วเราก็จะไม่รู้วิธีถ้าเราเพราะเราไม่เคยศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ เราก็ต้องเข้าเพิ่มพระพุทธพระธรร ม, มพระสงฆ์ผู้ที่รู้เรื่องความสุขความเจริญของ จ, จิตใจว่าทําอย่างไรเราต้องยึพดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้บอกทางเมื่อท่านบอกทางเราแล้วเรารู้แล้ ว, เ ร, ลลวเราก็ต้องเดินเนี่ยตอนที่เดินเนี่เราต้องเป็นอ ah ัตตาหิอนันโตนาโตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทําเดินให้เราไม่ได้ปฏิบัติให้เราไม่ได้ตัวใครตัวมันน้าของการปฏิบัติอัตตาหิอนันโตนาโต การเรื่องการสอนการบอกนี้ช่วยกันได้ช่วยบอกช่วยสอนได้เราจรึงมักจะต้องไปเพื่งครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าหมดใหม่เนี้ยจะต้องไปหาครูบาอาจารย์ไปอยู่กับท่านอย่างน้อยห้าพันศาเะไรกัเพื่ออาศาัยการศึกษ า, าเรื่อเน้นจากท่านให้สอนวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อจะยิ่ยกระดับจิตใจให้สุขให้เจริญยันในี่สุดก็กลับมาที่อัตตาฮิอัตโนนาโถ แต่ก็ต้องมีผู้ที่สอนอย่างคุณหมอก็ต้องเป็นเรียนที่ที่หมหาลัยก่อนไปเรียนศึกษากับพระอาจารย์หมอต่างๆก่อนนครับแล้วเวลาเรียนนี่คนอื่นเรียนแทนเราไม่ได้ใช่ไหมเราต้องเรียนเองพอเราเรียนเองเราเรียนสอบผ่านจบแล้วก็ไปทำแล้วก็ไปเป็นหมอได้ครับเหมือนกันทั้งโลกทางธรรมเหมือนกันทางธรรมก็ต้องไปเรียนกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าอยากจะเป็นพระอริยะบุคคล ให้คีย์เวิร์ดเลครับอาจารย์ทางโลกคือไตรักทางใจก็คือกฎแห่งกรรมครับอาจารย์อ่าจะสับสนนะ อ, อ่อทางโลกมันก็แค่ชั่วข่าวร่างกายตายไปก็จบหมดวิวเกตมีเงินกี่แสนล้านตายไปก็เอาไปไม่ได้นะแต่บาลเดียวเอาเอาทางเจริญทางธรรมไปได้ซึ่งวิวเกตก็ทําบุญเยอะนะเขาตั้งนิติเขาลอยจากเงินทําบุญเยอะ เขาก็จะไปไปเป็นเทวดาได้เขาจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ความจริงมันก็เป็นความจริงกหแห่งรำ ม, มันก็เป็นอย่างนั้นวันนี้ได้ความปัญญามากเลยครับอาารกับขอบพระคุณครับอขอกาดถามคำ ถ, ถามจากเพื่อนเพื่อนบ้างครับคุณมะม่วงครับ กลับเรียนถามพระอาจารย์คุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นมะเร็งปอดเราคนเป็นลูกทําใจยากมากสงสารพ่อควรวางใจอย่างไรครับก็ อ, อย่างที่คุณบอกทําใจเนี่ยทำใจยากก็ไม่ไรู้จะไ่ายังไงก็ต้องพยายามฝึกสมาธิฝึกสติพยายามนั่งสมาธิทําใจให้แ น, น่ๆอย่าคิดปรุงแต่งถ้าคิดก็คิดว่าสำคัญเป็นของไม่เที่ยง มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาทั้งเขาทั้งเราให้มองให้รอดก็ไม่ใช่แต่พ่อคนเดียวนะต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนพ่อเหมือนกันอนี้ไม่ต้องไปสงสารพ่อสงสารตัวเราเองเถิดต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนพ่อเีบมาทำทาใจกันดีกว่าเพราะถ้าเราทำใจได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับความตายของใครก็ตามของคนอื่นไม่ของเราเราก็จะไม่ทุกข์ถ้ายังทาใจไม่ได้ก็พยายามฝึกสติ นั่งสมาธิให้มากมากแล้วต่อไปพอใจสงบมีอุเบกขาขึ้นมาก็จะทำใจได้คุณฟาโรครับเราต้องทำยังไงกับธาตุรู้ครับ เ, ออเราต้องสอนธาตุรู้ให้ฉลาดไงตอนนี้ธาตุรู้ถูกความหลงครอบงำความหลงหลอกให้เราไปหาความสุขจากโลกกระทำซึ่งมันจะพาให้เราธาตุรู้ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เราก็ต้องเอาคำสอนพูะเจ้าที่สอนให้เราละการหาความสุขทางโลกแล้วให้แบบหาความสุขทางธรรมในการไปไปบวชการไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาคุณมารีครับเป็นคนชอบทำอาหารและทำใส่บาตรแต่ละวันอาหารจะไม่ซ้ำจะเป็นการสร้างกิเลสให้กับพระหรือเปล่าครับไม่หรอกกิเลสมัน มันอยู่ที่อยู่ที่พระยอยจะถอยหอะไรมันก็มันไม่กิมันไม่เกี่ยวกันเนี่ยเ mm hmm. มื่อจากถ้าพระสั่งเนี่ยถึงจะเป็นกิเลสเราโยมเปลี่ยนอาหารนัอย่างนี้ทุกวันนั้นเบื่อแล้วเกิดอะ้รเงี้ยเปเป็นเรื่องของกิเลสของพรนะแล้วพระเขาก็ไปตามปภาษาของเขายินดีตามมีตามเกิดยอมจะทําอะไรก็กินก็กินไปของเราอย่างนี้ไม่ได้ไปทําให้เกิดกิเลสขึ้นมาแล้ว คุณอดิสรครับถึงที่สุดแห่งทุก์หมายความว่าอย่างไรครับจะมีโอกาสเกิดขึ้นไหมครับก็นี่นการการกำจัดความอยากทั้งหมดที่มีในใจให้หมดสิ้นไปความทุกข์ก็จะหมดตามไปเพราะเหตุของความทุกข์ขกข็คือความอยากการมาตัญหาภาวตัญหาวิภวตัญหารับความอยากทั้งสามนี้ได้ก็ถึงที่สุดแห่งทุกทุกจะไม่มีอีกต่อไปก็คือพ่านนิพพานจิตใจจะเป็นนิพพาน คุณเลนโคพีนครับพวงสังโยชน์เบื้องสูงห้าตัวต้องพิจารณาไปทีละตัวหรือกําจัดตัวใดตัวหนึ่งได้แล้วมันตายไปทั้งพวงครับอ๋อมันมันต้องแยกไปแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะถ้าติดรูก ป, ประชานก็ต้องละรูก ป, ประชานถ้าติดอาลูก ป, ประชานก็ต้องละอาลูก ป, ประชานถ้าจิตพิจารณาปัญญาแบบไม่หยุดไม่หย่อนจะ ก, กิอาการฟุ้งซ่านก็ต้องรู้จักพักบ้าง มันช่วงนี้มันยังต้องคนของค้อหาหาหาตัวที่เป็นอาหารคือมานะกับกาววิชาอยู่ยังไม่รู้จักมันว่าเป็นตัวเป็นอะไรมันก็นั่งมันก็พยายามคิดพิจารณาไปเรื่อยเื่อยมันเป็นตัวไหนเนี่ยบาทีมันพิจารณาจนกระทั่งมันไม่พักผ่อนมันก็ทําให้จิตฟุ้งซ่านขึ้นมาหรือแบบบางทีอยากจะบรรลุมันก็พยายามคิดพิจารณาอะไรไปเรื่อยเปื่ คิดไปคิดมามันไม่ได้ข้อสรุกอย่างพระนานนนี่ก็เหมือนกันนะพระาอนอนก็พระพเจ้าก็พยากรณ์พระอนาอนนท์จะบรรลุธรรมสามเดือนหลังจากที่พระพเจ้ า, าสเสด็จ ด, ดับคันไปแล้วพอถึงวันสุดท้ายคืนสุดท้ายก่อนจะสว่างนี่พระนอนก็ยังไม่บรรลุพระนอนก็เครียดพิจารณาพิจารณาอยู่ที่เรื่องเลียวคับคำพยากรณ์พระเจ้าวัด จะต้องบรรลุแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยเสียการพยากรณ์ทุกครั้งที่พยากรณ์นะ่ยจะต้องเป็นไปตามที่ส่งตัดไว้เสมอแต่ทำํำไมคราวนี้ท่านพยากรณ์ให้กับเราทำไมเรายังไม่บรรลุสักทีจิตก็เลยไปพองเกี่ยวกับเรื่องอานาคตเรื่องของการบรรลุไม่ได้มาทาเหตุที่ทําให้บรรลุเหตนที่ทําให้การบรรลุ ก, ก็คือให้หยุดความอยากที่จะบรรลุนะั่นแหละบรรลุตัว พอใช่สว่างแนละ้วรู้สึกหมดทางแนละ้วไม่มีทางที่จะบรรลุได้แนละ้วก็เลยบอกหยุดดีกว่าพักดีกว่าพอพักพักก็หยุดความอยากไปนอนอยนช่วงที่กําลังจะไปนอนระหว่างท่านั่งกับท่านอนนี่ก็บรรลุขึ้นมาทันทีว่าความอยากตัวสุดท้ายถูกตัดไปความอยากจะบรรลุ เนื่อแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะมันมันตัวสุดท้ายนี่มันรู้สึกมันจะแต่ละคนอาจจะมีลักษณะที่ไม่อาจจะไม่เหมือนกันแต่มันก็เรื่องของที่ความอยากที่ยังมีอยู่ในใจอยู่เป็นความอยากที่ละเอียดครอาจารย์ครับอย่างตอนหลวงตาที่ท่านไปบอกว่าหลวงปู่มันความอยากตัวสุดท้ายนี่คืออวิชชาที่หลวงตามีติดอยู่พักใหญ่เลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ท่านก็งงนะท่านได้ปริศนาว่า จ, จุดไหนตรงไหนที่มีจุดมีต่อมนั่นคือจุดของพพชาตินะนักว่าเนื่ยอยากคือตัววิชาแต่ถ้าไม่รู้ว่าไอ้จุดไอ้ต่อมนี่มันเป็นยังไงมันได้ก็สรุปทีหลังว่าก็คือตัวสว่างสวายจิตสว่างจิตประพัดสอนนี่จิตสว่างส ว, ยวายเพราะในภายนั้นจิตสว่างสวายนี่ยังมีกิเลสหลบซ่อนอยู่ถ้าแทนที่จะไปทําลายกิเลส ไปสงวนเพราะรักความสว่างสวายอยากให้จิตสว่างสวายเพราะมันน่าพิศวงมนน่ามหัศจรรย์มากในช่วงนั้นจิตที่มันสว่างสวยแต่ไม่รู้ว่าความสว่างสวายของจิตนี้มันเป็นจิตจิตอวิชชาเป็นจิตที่มีกิเลสซ่อนอยู่ก็เลยไปรักษาความสว่างสวายก็เลยไปรักษากิเลสไปในตัวแทนที่จะไปทําลายมันท่านเ่ยก็จะ ได้คำตอบตั้งแก็ต้องใช้เวลาสามเดือนน่านไปเดินจงกรมไปไปีกวิเวกไปทุ ด, ดงอยู่สามเดือนถึงจะกลับมาถึงจะได้คําตอบท่านบอกว่าถ้าหลวงปู่มั่นอยู่ตอนยังมีชีวิตอยู่ถ้าไปเล่าให้ท่านฟังหลวงปู่มั่นก็บอกไอ้ตัวนี้นะ่ะตัวที่คุณจะต้องทํางายอย่าไปรักษามันคือปล่อยมันอ่าเราอยากจะให้มันสว่างสวยแต่ลอาเวลาโดยที่เราไม่รู้ว่าธรรมาชาติของความสว่างนี้มันก็เป็น อันนี้จังทุกขังอนัตตาเหมือนกันบางครั้งมันก็จะมีอาการลดความสว่างลงเพรา ม, มันลดความสว่างลงแล้วก็พยายามใช้สติใช้อะไรพยุงให้มันสว่างขึ้นมาใหม่มันก็เลยไปรักษาเหมือนทนที่จะปล่อยให้มันเป็นไปตามกฎของตายแนละ้วมีกัดมีดับมีจลิมีเสือ่อมเป็นธรรมดาถ้าปล่อยนั้นเดี๋ยวตัวสว่างนี้มันก็จะแตกสลายหายไปหมดเอง อนนี้เขจะรู้แล้วไม่มีอะไรเลย อ, อยู่แล้วในใจคุณไลคอคพีนครับผมลองถือในสัตชิกแล้วไม่รอดครับพอทนไม่ไหวมันก็นอนครับควรทํำยังไงต่อครับก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของเจริญของแต่ละคนบางคนไม่ถูกเจริญจากการทรมานตนด้วยการไม่หลับไม่นอนก็ไม่ก็เปลี่ยนวิธีอย่างไงก็ได้ เอามายรู้คือมาเดินจงกรมนานสองสามชั่วโมงนั่ง น, นานสองสมชั่วโมงแทนก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องมีสัตว์ชิกบางทีมีสัติกแต่ไม่ได้ปฏิบัตนะิเพียงแต่ต่อสู้กับควา ม, มงุ่มงยังยังร้างไม่ได้ปฏิบัติจริงจังต้องเอาเวลามาปฏิบัติจริงจังนะี่แหละในการเดินจงกรมเดินเยอะๆสักสองสามชั่วโมงไปนั่ง น, นานไปแพอถึงเวลาจะพักผ่อนลำล้นอนก็พักไว้ 4ี่ห้าชั่วโมงก็พอเกนหนึ่งล้วงตื่นขึ้นมาก็มีกำลังก็จะได้มาปฏิบัติต่อคุณธนาทรครับขอความเมตตาพระอาจารย์มีสองคำถามครับข้อที่หนึ่งสุบุหรี่ร่วงสินห้าไหมครับไม่ร่วง เ, เพราะว่าบุหรี่ไม่ได้ทำให้การขาดสติไม่เป็นของมึนเมาข้อที่สองครับการจเจริญรักขณูปนิชฌานคืออะไรครับ อันนี้ต้องขออภัยต่อแม่ได้เหมือนกันว่าไม่ได้ศึกษาภาษาทางบาลีมานองค้นหาทางทางกูเกิาด้วยคุณถิงถิงครับทําบุญกับแม่หาข้าวให้ท่านเกินให้ท่าน<ม>ให้ท่านกินไม่ค่อยได้ใส่บาทเป็นบุญกนละส่วนใช่ไหมครับก็<ม>เป็นบุญเหมือนกันนะเป็ น, แ ม, ปนแม่ก็เป็นเหมือนผ้าหลานของโลกๆทำบุญกับแม่ก็ได้บุญเหมือนกันไปสวรรค์ได้เหมือนกันอืม คุณพิสิทธ์ครับคนที่ทำบุญบ้านถวายอาหารพระแต่ก็ต้องฆ่าสัตว์ไก่และหมูจะทำให้ต้องเป็นบาปด้วยหรือไม่ครับถ้าฆ่าก็เป็นบาปก็ถวายอาหารเจก็ได้เนี่ยมังสวิรัตก็ได้พระท่านไม่เรียกร้องอะไรหรือไปซื้อเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วในตลาดมาทาก็ไม่ไม่บาปแล้วแอย่าทำเองหรือสั่งให้ก็ฆ่าให้เราก็แล้วกันคุณไรคอพีนครับ ผมลองอดอาหารด้วยครับทนได้ไปถึง24ชั่วโมงเช่นวันที่สองกินตอน9โมงกว่าๆวันที่สามไม่กินและวันที่สี่ทนได้แค่ประมาณ7โมงเช้าอดอาหารเหมือนบริกรรมไม่ค่อยออกผมควรทำอย่างไรต่อไปครับก็แสดงว่าอินทียเรายังอาจจะไม่แก่ก้าพอก็พยายามฝึกเป็นปกติไปก่อนก็แล้วกันยิ่งกว่าเราจะได้สติมากขึ้นได้ความสงบมากขึ้นมันก็จะมีกาลังที่จะไปอดอาหารต่อไปได้ ไลโคพีนครับจะรู้ได้ยังไงครับว่าการมาราคะ ก, กับปฏิคัเ บ, บาบางมันต้องเบาบางแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าเบาบางแล้วจะรู้ได้เองไหมครับมันก็จะรู้ว่าถ้าเกิดเกิดความค่ายอยู่ตลอดเวลาถ้าเราบางช่วงเวลาเกิดความค่ายแล้วเราสามารถใช้อสุภะระงับมันได้มันก็ทําให้มันเบาบางแต่เรายังไม่สามารถใช้อสุภะได้ทุกทุกเวลาเท่านั้นเองอยาที่เรากินเราไม่ได้กินตลอดเวลา เวลานานที่เรากินมันก็คุมได้เวลานานที่เราไม่กินก็คุมมันไม่ได้เมื่อเรารู้แล้วว่าต่อถ้าอยากจะคุมมันตลอดเวลาเราก็ต้องเจริญสุภาษิตตลอดเวลาคุณสมพรครับบางครั้งโยมก็เข้าดูการพยากรณ์ดวงราศีปีเกิดต่างๆจากหมอดูที่พยากรณ์ที่เด้งผ่านลายจึงอยากเปิดอ่านดูคําทํานายน้องกัปขอคแำแนะนาพระอาจารย์เรื่องนี้ครับ ก็ เ, เขาไม่ทํานายความจริงเนี่ยว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายของจริงไม่ทำนายกันมัทนทํางานเรื่องของไม่ไม่จริงทําไมพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหมอดูที่วิเศษที่สุดพระเจ้าบอกพวกเราทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาต้องพัดภาคจากการเป็นธรรมดาอันนี้แหละเป็นของจริงพยากรณ์ชัดแจ้งแดงแจไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ว่าว่าผิดน แต่เราไม่ชอบเราไม่ชอบความจริงเราชอบความปลอมชอบของปองเพราะว่าจะได้เป็นเศรษฐีจะได้ภรรยาที่สวยงามน้ำอ <c oughs> <c oughs> ะไรนี่นั่นฉันได้จริงหรือเปล่ากูไม่รู้ใช่ครับางคนก็ได้บางคนก็ไม่ไ ด, มไมได้มันไม่ได้อยู่ที่หมอทำพยากรณ์มันอยู่ที่จังหวะโอกาสถึงเวลามันจะได้มันก็ได้ถึงเวลามันจะไม่ได้มันก็ไม่ได้ จะรู้ได้อย่างไรครับว่าพบอวิชชาแล้วมันเป็นตัวอย่างไรเห็นมันในสมาธิหรือมันที่ไหนจําเป็นไหมครับว่าทุกคนที่จะเห็นแสงสว่างเจอมันในรูปแบบอื่นได้ไหมครับ อ, อ๋ออย่าเพิ่งไปกังวลเลยตอนนี้เอาแค่รักษาสิ่งแปดให้ได้ก่อนแล้วไปฝึกสตินั่งสมาธิให้ได้ก่อนเป็นยังอีกกายตอนนี้เราอยู่แค่ชั้นอนุบาลอย่าไปคุยเรื่องฟิสิกส์เรื่องเรื่องคณิตศาสตร์ะโดยตอนนี้มันไกลเกินไปพูดไปก็ไม่รู้เรื่องหรอก สมพรครับการปล่อยปลาถือเป็นการทําบุญเป็นการทําทานอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ก็เป็นการถ่ายชีวิตเขาให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไป <Okay. S 1> อเราไปละซื้อปลาที่เขาเขาจะฆ่าจริงๆเช่นปลาที่เขาขายในตลาดครับปลาที่เขาปล่อยบางแห่งนี่รู้สึกว่าปล่อยแล้วมันกลับมาหาเจ้าของที่คนขายหรือเลปลาไม่รู้นะทำงาน นกเขาอนกมีบางทีเขามีอาหารเลี้ยงมันให้มันติดอาหารพอเราไปซื้อนไกไปปล่อยมันก็บินไปแล่นเดี๋ยวมันก็กลับมาหาอาหารที่มันติดคนขายคนขายนกเขาเราให้ฟังนะมันท่าบจริงเช่นยังไงคุณสติครับพี่ชายเอาพ่อเข้าห้องอนาถาอ้างว่าพยาบาลแนะนําผลย้ายพ่อมาห้องพิเศษแล้วตําหนิเขาไปในกลุ่มแชทว่า ทีตัวเองกับลูกเข้าห้อง V.I.P. ตอ น, นที่พ่อให้ดินเพิ่มแก่เขาคนเดียวแต่ยังทอดทิ้งพ่อได้ลงคอเขาเลยบอกว่างั้นขายที่ของเขาแปลงนั้นแล้วแบ่งให้พี่น้องเท่ากันพอเห็นว่าพี่น้องเอาจริงเขาเลยพลิกลิ้นบอกว่าพ่อให้ที่หลานกำชับว่าอย่าขายหลังจากพ่อเสียเขาจะขายที่แต่เหมือนจะไม่ยอมแบ่งพี่น้องตามที่เคยสั่งไอ้สัจจะไว้ถ้าก่อนหน้านี้นเขากระตันยูไม่เห็นแก่ตัวหนูคงปล่อยผ่านตัวคนทำอย่างไรทวงถามสัจจะจากเขาหรือช่างมันดีครับ อย่าไปในเรื่องเวลาจะดีกว่านะอย่าไปทะเลาะ ก, กันเลยคุณแลคปีนบอกว่าอวิชชาถ้าเจอมันแล้วต้องทํายังไงกับมันครับหรือใช้ปัญญาสอนให้ใจละอวิชชาอย่างไงครับให้ไปถึงเวลานั้นก่อนเถิดมันมันอีกกายให้ปล่อยวางร่างกายให้ได้สวดามัานก่อ น, นคุณพนัทครับ ผมใช้วิธีการพิจารณาอสุภะโดยวิลาที่เห็นผู้หญิงหน้าตาสวยน่ารักผมจะใช้วิธีนึกถึงหน้าของศพที่เคยเห็นในหนังสือกายคตาสติและคิดว่าผู้หญิงคนนั้นสุดท้ายก็ไม่ต่างกันอยากทราบว่าผมพิจารณาได้ถูกต้องไหมครับก็อยู่ที่ว่าเราตัดความความยินดีในในคนคนนั้นได้หรือเปล่าความอยากที่จะร่วมเพศกับเขาได้หรือเปล่าถ้ามีความอยากคุณนาลาครับ การที่เราชอบดูละครหนังต่างๆจะทําให้เราฝึกสติยากและทําให้นั่งสมาธิจิตรวมยากใช่ไหมครับใช่เพราะเราจะไม่มีเวลามาฝึกสติทําใจให้นิ่งใจมันจะปรุงแต่งไปกับละครที่เราดูคุณออนอโนงครับเมื่อเราไม่ได้ทําบุญใส่บาตรแต่เราโอนเงินให้กับพระที่เรานับถือได้ไหมเวลาเราอยากทาบุญครับได้ได้ให้กับพระก็ได้ให้กับใครก็ได้ องค์กรการกุศลต่างๆคุณเอกชัยครับผมเคยอ่านในตำราเขียนว่าขันห้าไม่ใช่เราเราไม่มีอยู่ในขันห้าขันห้าประกอบด้วยวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเรียกว่ารูปคือกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือใจสรุปขันห้าคือกา ย, ก, ายกับใจแล้วเราคือใครเราเป็นอะไรคะขันห้าไม่ใช่เราครับว่าเราก็เป็นอ น, นิจนโจโสยญาติตนที่เขา ตัวความคิดปรุงแต่งปรุงแต่งขึ้นมาทั้งนั้นเองเหมือนเวลาที่เขาแต่งนิยายนี้มันมีจริงไหมแต่งเรื่องอะไรต่างๆนี่มันก็เป็นจินตนาการของจิตคือสังขารสัญญาปรุงแต่งขึ้นไปอันนี้ก็เหมือนกันสังสขารสัญญาถูกกวิชาความหลงให้ปรุงแต่งว่ามีตัวมี ต, มตนขึ้นมาให้ปรุงแต่งว่าร่างกายเป็นเราเวทนาเป็นเราเราเป็น เราเป็นสังขารสังขารอะไรวิญญาณอะไรอะ น, นี้เป็นเราไปหมดความจริงมันเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติที่ทำหน้าที่ของมันไปคุไรคอพีนฝึกคิดเกี่ยวกับไตรลักษณ์โดยที่ไม่มีสมาธิแบบซ้อมไว้ได้ไหมครับหรือบริกรรมไปครับได้แต่ยังไม่มีกำลังที่จะไปตัดมันได้เวลาเจอความเจ็บเจอความตายใจก็ยังจะยังจะ จะทุกข์ยูถ้าไม่ทุกก็ใช้ได้ลองลองทําดูสิลองทําแล้วคิดว่าถ้าเกิดเราตายแลเราทําใจเฉยได้ไหมถ้าเราเป็นโรคมันเร็งขึ้นมาเราทําใจเฉ ย, ยได้หรือเปล่าคุณแต้มสีครับพระพุทธเจ้ากล่าวว่าทางนี้เป็นทางเอกสายเดียวถ้าเราอยากบรรลุ ธ, ธรรมคือเราต้องออกบวชอย่างเดียวใช่ไหมครับเพราะคนจะสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ได้ในเพศฆราวาสเป็นไปได้น้อยมากๆ เนื่องจากคารวา่ามีโทระและภาระเยอะมีเรื่องให้กังวล ม, มากมีเวลาปฏิบัติน้อยดิฉันก็เชื่อว่ามีทางสายเอกนี้ทางเดียวครับถูกต้องคารว่ามีภาระหยินเยอะเวลาที่จะมาให้กับการปฏิบัติร้อยเปอร์เซ็นมันเป็นไปไม่ได้ถ้าอยากจะบรรลุธรรมในพระมิจฉานี้ต้องต้องเอาการปฏิบัตินี้ทั้งร้อยเอาเวลาทั้งหมดมาให้กับการปฏิบัติเพียง อ, อย่างเดียว มรแปดสมาทิฏิคือปัญญาเป็นข้อแรกเห็นว่านี่คือทางที่ถูกใช่ไหมครับย่อยมรแปดกลายเป็นศีลสมาธิปัญญาทำไมไม่ปัญญานำหน้าศีลครับปัญญาก็มีหลายระดับครับอาจารย์ก็มันเป็นเรื่องการการแสดงธรรมจะเริ่มที่ไหนก็ได้แต่การมันต้องมรแปดมันก็เหมือนรถยนต์รถยนต์มันก็มีมีน้ามีพวงมาลัยมีอะไรมันก็เวลาไปมันก็ไปด้วยกัน ไปพร้องกันมากคนก็ไปพร้องกันแต่ตามความเปจริงแล้วมันก็ต้องเป็นปัญญาเป็นคนนําทางก่อนใช่ไหมเราต้องคิดก่อนก่อนที่เราจะทําอะไรได้เราก็ต้องคิดก่อนเราจะคิดจะไปฆ่าสัตว์ดีไม่ดีนี่ถ้าเรามีปัญญาเขาบอกว่าฆ่าสัตว์มันเป็ น, เ ป, นเป็นบาปจะทําให้เรามีความทุกข์ใจนี่เราก็อย่าไปฆ่าสัตว์นี่มันต้องปัญญานำก่อนสมาธิสมาสังโฆเป็นผู้นําทาง แต่เวลาปฏิบัติจริงๆมันก็ต้องปฏิบัติจากระดับง่ายไปสู่ไ ป, ไปสู่ระดับยากระดับง่ายรักษาศีลด่อนจากศีนเข้าไปรักษาไปไปฝึกสมาธิจากสมาธิเข้าอยไปฝึกปัญญาอีกทีหนึงปัญญามันมีหลายระดับปัญญาเบื้องต้นก็คือปัญญาที่เราได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าว่าทำบาปไม่ดีทำบาปไม่ดีแล้วก็ไปรักษาศีนฝึกสมาธิทําจิตให้สงบดีแล้วก็ไปฝึกนั่งสมาธิกัน ตามลําดับไปเวลาปฏิบัติจริงๆมันก็นทั้งก้าวจากศีลไปสู่สมาธิไปสู่ปัญญาปัญญาที่เป็นของเราเองปัญญาที่เราจะเอามาเจริญพิจารณาเนี่ยเป็นปัญญาของเราเองแต่เบื้องต้นเราอาศัยปัญญาของผู้นําทางไปก่อนคุณธนาธรครับเวลามีโย ม, มาถวายเงินพระอาจารย์บอกกล่าวโยมอย่างไรครับจะได้เป็นแนวทางกัารบวชครับ ก็ไม่ได้บอกอะไรแล้วก็รับไปเท่งนั้นเอง <g ül> ก็สาดทุ่ไปถ้าเราไม่ได้ไปขอแล้วไม่ได้ไปยินดีเขาเอามาให้เราก็รับไว้แล้วเราก็ไปทําประโยชน์ก็ไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับตัวเราแเรวก็ไปทําประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปก็ลับได้แต่ถ้าเรายินดีแล้ะรับมาแล้วเพื่อเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเราอันนี้ก็ต้องระวังเพราะเงินทองนี่มันไม่เหมาะกับรับบริเวณ เพราะมันไม่ถ้า่วชไม่จําเป็นจะต้องมีงินทองไม่ใช่นอกจากกรณีจําเป็นฉุกเฉินบางอย่างเช่นขาดยาอะไรหรือต้องไปรักษาโรงพยาบาลแล้วไม่มีค่าใช้ไม่มีค่าค่าล้นหรืออะไรก็อาจจะต้องมีบ้างแต่ถ้าบวชมานานๆก็จะมีคนเขาคอยมาคอยดูแลรับใชอ้อยู่ตลอดมานาก็ไม่จําเป็นต้องใช้เงินทอง การดำเนินชีวิตประจําวันจิตจะระลึกรูถ้ถึงข้อทางนี้ของพระอาจารย์แล้วน้อมนาเอามาปฏิบัติทันทีคล้ายๆคํ า, ค า, ค า, คาสอนมันดูดซึมในการประยุกต์ใช้ได้ง่ายทันทีแต่ไม่ได้บริการพุทโธเลยหรือถ้ามีาก็น้อยมากพุทโธได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นอย่างนี้โยมต้องปรบปรงแก้ไขตรงไหนดีครับใเพือ่อให้ก็ต้องทําก็ต้องเมื่อเราไม่ได้พุทโธเราก็ต้องเริ่มทำพุทโธรไปเลยลองลองเริ่มต้นตั้งแต่เช้าอะไรเนี่ย ตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาช่วงนั้นเราไม่ต้องใช้ความคิดมากช่วงที่เราไปเตรียมตัวอาบน้ำอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารช่วงนั้นก็ลองลอ ง, ง, งเจริญพุทโธดู ว, วิปัสสนาญาณกับนิพพยายนาณอันเดียวกันไหมครับไม่ใช่เหมือ น, นันนิพพยายานแปลว่าอะไรวิปัสสนาญาณก็เกิดการเห็น เหนตายรักนี่ยนิจังทุกังตาเห็นนริยสัต์ีละว่ามีปัสนายญาณในสมัยพุทธกานมีคนที่ยังไม่มีและยังไม่รู้จักศีลกับสมาธิแต่ได้ฟังพิมพ์ที่ปาแล้วบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ไหมครับถ้าไม่รู้จะเป็นบรรลุได้ไงท่านจะท่านจะเป็นบรรลุได้ไงต้องมีศีลก็ต้องมีสมาธิถึงเวลาฟังธรรมก็จะบรรลุธรรมได้แต่อาจาร อาจารจะไม่รู้จักชื่อชื่อชื่อของศีลชื่อของสมาธิก็ได้อันนี้แต่ต้องมีต้องมีศีลเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทําร้ายผู้อื่นไม่ขืนดื่มของมึนเมาต่างๆเหล่านี้แล้วจิตก็ตั้งมัน่นสามารถที่จะวางเฉยกับสิ่งต่างๆที่มากระทบกับจิตใจได้อันนี้ไม่ต้องมีชื่อก็ได้ไม่ต้องรู้จักชื่อก็ได้ คุณสิทธาครับการทําทานถ้าทําจนเราทุกข์คือทําจนหมดตัวแบบนี้ผิดนะครับก็แล้วแต่ว่าเรามีกําลังทําเท่าไหร่ล้วก็ทําบางคนก็ทําหมดตัวได้คนที่ไปบวชเขาก็ทําหมดตัวเหมือนอ่าตอนที่เราไปบวชล้วก็มันก็ไม่มีเงินติดตัวมาสักบาทเดียวเพราะมันไม่มีอยู่แล้วเงินหมดพอดีไม่หมดพอดี ไม่เหลือเลยแหละครับพระอาจารย์วันนั้นวันที่ไปบวชที่บสถหมดพอดีเลยก็มันก็มันมีค่าใช้จ่ายไว้เวลาบวชก็ต้องมีค่าถวายพระอะไรด้วยก็ใช้ได้หมดเลยไม่มีเหลือค่าอัถบริ์การค่าจีวรอะไรต่างๆค่าดอกไม้ทูบเทียนอะไรอากาศพอดีเป๊ะเลยเพราะตามทีไปเป็นเป็น้าขาวก็ไปอาศัยวัดกินแล้วตอนนั้นไปอยู่ที่วัดโกวัน จ่งนั้นก็ไปเป็นลูกศิษย์ของพระไปตินข้าวคนบาตของพระแล้วล้างบาตให้ท่านรับใช้ท่านเวลาท่านต้องการให้ไปซื้อข้าวซื้อของอะไรก็ไปซื้อให้ท่านความทุกกติกาแต่ได้กิ็นฟรีอยู่ฟรีพระอาจารย์บวชสิบเก้ากลุ่มผาก็ไป<อ>ว่า<อ>ประมาณประมา ณ, ป ร, มาณประมาณสักปลายเดือน ป, ป, ปนลายเดือนกเมื่อต้นเดือนกลุ่มผาก็อยู่ประมาณสักสองสามอาทิตย์ด้วยกัน านายบดครับุณอิงครับจะมีแนวทางใดในการช่วยให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้อยู่ในแนวทางการปฏิบัติไหมครับคนป่วยมันปฏิบัติยากโดยเฉพาะอัลไซเมอร์นี่มันแบบไม่มีไม่มีสติสตางที่จะรู้เรื่องรู้ราวแล้วมันจะปฏิบัติได้อย่างไรเหมือนคนเมาสุรา่ายคุณกระเจี๊ยบครับ ขอโอกาศทําอย่างไรสติถึงจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆครับก็มาแล้วเรื่อยๆพุดโธอยู่เรื่อยๆพุทโทพูทโธพูดโธไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ้างนาทีสิบนาทีมันก็จะเริ่มมีสติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพระโสดาบันจะไม่ถามวิธีปฏิบัติต่อไปหรือครับจะรู้วิธีปฏิบัติและวิธีละสังโยต่างๆด้วยตัวเองถ้าไม่มีใครสอนก็ค้าทางไปได้เพราะจะรู้ ว่าทุกเกิดขึ้นจากความอยากของตนอั้นต่อไปก็จะรู้ว่าทุกเกิดจากความอยากมีเพศสัมพันธ์ถ้าเราไม่มีเพศสัมพันธ์ก็จะเกิดความหกรธเกลียดใจก็จะหาวิธีแก้ก็จะรู้ว่าเหตุที่ทําให้เกิดความอยากขึ้นมาเพราะไปเห็นร่างกายเป็นสวยงามแต่เวลาไปเห็นเวลาเห็นร่างกายไม่สวยงามความอยากมันก็หายไปมันก็จะสามารถคถาทางไปได้เอง แต่ถ้ามีครวครัมีคน อ, อ, อาจารย์ที่ผ่านแล้วก็จะมีคนบอกลงหน้าอกมาถึงจุดนี้ให้ทําอย่างนี้ต่อนะให้พิจารณาสุภาพได้แล้ว ค, คุณปูเป้ครับวิตามินและอาหารใจอยากได้ต้องปฏิบัติเองเสริมกำลังใจให้มีพลัดอยู่ไหมครับก็อาหารใจก็คือทางสี ห, หน้านี่อาหก็ต้องปฏิบัติเอง ค น, นปฏิบัติให้เราไม่ได้สมพรครับเพียงโยมได้ยินเสียงธรรมะของพระอาจารย์โดยองบใจมีสมาธิพอสมควรผู <c oughs> ้อื่นจะรู้สึกแบบนี้ด้วยหรือไม่โยมเลยเปิดไฟฟังตลอดเวลายามที่ต้องการให้ใจได้พักผ่อนยามต้การสงทางจิตใจการฟังธรรมะของพระอาจารย์ถึงเปการปฏิบัติอย่างหนึ่งเช่นกันใช่ไหมครับ ใช่ก็เป็นการเจริญสติการเจริญสมาธิหรือจากเจริญปัญญาแล้วแต่ว่าเราจะได้อย่างไดอย่างหนึ่งคุณสราวุธครับรู้สึกว่ากำลังเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีความคิดกังวลซ้ำๆเดิมกลัวบางบ้างกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาเป็นแล้วใจเป็นทุกข์ จะใช้ธรรมะข้อไหนแบบไหนรักษาใจจะอาการนี้ได้ครับก็ใช้พุทโธเนี่ยหยุดความคิดร้ายไปเวลาเกิดความคิดกังวงเนี้ยแล้วก็คิดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปให้มันหยุดนะแล้วถ้าคิดทางปัญญาได้ก็คิดต่อไปว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดขึ้นแล้วต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่ช้าก็เร็ว สิ่งที่อย่างที่เรามาีในเรื่องนี้เราก็จะต้องหมดไปแม้แต่ร่างกายของเราก็ต้องสิ้นสุดลงคิดตามความเป็นจริงคุณสิงโตครับพระโสดาบันเป็นผู้เข้ากระแสพระนิพพานท่านเข้าสู่กระแสพ ร, ระนิพพานตั้ อ, อย่างไรครับขอโอกาสระอาจารย์ช่วยขยายความให้เข้าใจครับก็ท่านเห็นนิยาาสักเสียเห็นทุกสมบทานที่รอดมาทํางานอยู่ในจิตใจของท่าน ใจของท่านทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายท่านก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูท่านก็เห็นว่าที่ท่านที่เกิดความที่เกิดความอยากเกิดความทุกข์ก็เพราะว่าอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอพอที่ท่านใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูธรรมชาติของร่างกายก็เห็นว่ า, าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมชาติที่ห้ามไม่ได้ไม่มีใครห้ามความกินอันนี้นได้ มาเห็นด้วยความจริงว่าเป็นเรื่องของของธรรมชาติเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราเพราะเราก็ควบคุมบังคับสั่งมันไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในร่างกายอันนี้มาเห็นด้วยปัญญามันก็มีมากเกิดขึ้นปัญญาก็คือมากมอเห็นมากว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับความจริงอย่าไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอหยุดความอยากง่ายยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายความทุกข์ก็หายไปท่านก็เห็น เห็นได้ว่ากระบวนการของความทุกข์เกิดจากความอยากและกระบวนการที่จยระอับความทุกข์ก็เกิดจากการมีสติมีปัญญามีสมาธิพอมีแล้วก็สามารถหยุดความอยากได้ยนั่นก็เข้าสู่กระแสเพราะว่าการที่จะไปสู่พุทธิพัณฑก็ต้องใช้พระอริยสัจ ส, สีนี้ดับความทุกข์ในระดับต่างๆ ต, ต, ต่อไปคุณกระเจี๊ยบครับ ตาิดผูดร้รู้ที่รู้ว่าตัวเราทั้งหมดเป็นสังขารแต่เป็นผู้รู้ตัวปลอมอยู่เราต้องทำยังไงกนไปหาตัวจริงเนี่ยต้องเข้าสมาธิให้เจ็ดเข้าสู่อัปปนาสมาธิเข้าสู่รูปฌานสี่ให้ได้ก็จะเหลือแต่สักแต่ว่ารู้อัตโนมัตเป็นตัวจริงไม่ใช่เกิดจากตัวคิดขึ้นมาว่นนี่คือตัวรู้ ต้องหยุดความคิดปรุงแต่งถ้าหยุดสังขารความคิดปรุงแต่งหน้าตัวรู้ก็ยังก็จะพอก็จะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนถ้ายังมีความคิดปรุงแต่งอยู่มันก็เป็นเป็นความคิดความคิดปรุงแต่งที่สร้างตัวรู้ขึ้นมาให้เรารับรู้เท่านั้นเองไม่ใช่ตัวจริงคุณสิดีออนครับมีหลายคนพูดว่าทําชั่วได้ดีมีถมไปเราควรอธิบายให้เขาฟังอย่างใดดีครับ ถึงกฎแห่งกรรมถ้าเขาเป็นคนในครอบครัวครับผมงเม่ตาพระอาจารย์ครับก็บอกเขาว่ามันดีชื่อนี่มันมีหลายแบบดีชั่วทางโลกและดีชั่วทางทางจิตใจทางธรรมกฎแห่งกรรมนี่มันเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของทางโลกโลกกับธรรมโลกกับธรรมนี่คนทําบุญคนทําดีคนทำเชื่อก็สามารถเจริญได้ด้วยกันบางคนทําดีก็เจริญได้บางคนทำเชื่อก็เจริญได้ มันได้อยู่มันไม่อยู่ที่การทําดีและทําชั่วที่จะไปกาหนดให้ว่าเราจะเจริญหรือเสื่อมทางโลกกระทำการทำดีทําชั่วนี้มันหมายถึงความเจริญและความเสื่อมทาง้านจจิตใอันนี้แน่นอนทําดีก็จิตใจก็จะเจริญทําชั่วจิตใจก็จะลงต่ำมันเป็นคนละเรื่องกันต้องแยกออก้ทั้งเรื่องทางโลกกับเรื่องทางด้านจิตใจเป็ น, นคนละเรื่องกัน คุณปบยโยครับทําไมยิ่งเข้าใจธรรมยิ่งมองเห็นทุกข์และความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้มากขึ้นเจ้าคะก็นั่นคือคุณธรรมไงจะเหมือนต้องถามว่าทาไมมันก็เป็นมันก็เห็นความจริงชัดขึ้นชัดขึ้นเพราเราเริ่มมีปัญญารืแล้วตาเราเริ่มสว่างขึ้นเมื่อก่อนที่ตาเรามืดบอดเราก็เลยอาศัยจินตนาการของเราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนีน้ซึ่งความจริงมันไม่ได้เป็นบปตามที่เราคิด คุณมุกี้ครับกราบหลวงพ่อการเข้าฌานสมาบัติคืออะไรเจ้าค่ะและต้องเข้าฌานเพื่อตัดการรับรู้จากโลกภายนอกหรือเข้าให้มีความสุขครับขอความเมตตาครับก็ฌานนี้มันมีหลายระดับเนี่ยมี9ระดับด้วยกันรูปฌานสี่รูปฌานสี่แล้วก็สมาบัติสมาบัตินี้เป็นมีความสงบที่เต็มร้อยไม่มีนาำมขันดิบทํางานทั้งหมดก็เป็นการ เป็นเป็นเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาความสุขที่ได้จากการเข้าสมาบัติเข้าสมาธิกันเข้ารู้เข้าฌ า, านกันฌานสูงสุดก็คือฌานสมาบัติที่เขาเข้าไปก็เพื่อที่เขาอยากจะเขามีความสุขจากการเข้าฌานเขาเข้าฌานไป<ม>นั่นเองคุณมุ ก, กี้ครับ กราบหลวงพ่อลูกมีสภาวะคือที่กลางลิ้นปีและกลางโซ อ, อกจะคล้ายผีเสื้อ ก, กับคือปีกขยับแรงมากจนกระทั่งเจ็บเสียดแน่นขณะที่เป็นทำให้ตื่นตกใจอย่างนี้ควรแก้ไขอย่างไรครับอันนี้เราไปถามหมอแล้วมันอยู่องของร่างกา ย, ยาคุณเอกชัยครับอาจารย์ครับถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามันคือการทางานของขันห้าซึ่งไม่ใช่เรา เราเพียงรับรู้และปล่อยวางสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ยึดติดกับมันอย่างนี้ผมปฏิบัติถูกไหมครับก็ดีถ้าไม่ยึดติดมันก็ไม่ทุกข์ถ้าไปยึดไปติดมันก็จะทุกข์ก็ดูที่ว่าเราทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็แล้ว ก, ก, ลกันถ้าไม่ทุกข์ก็ถูกถ้ายังทุกข์อยู่ก็ยังไม่ถูก ค, คุณแพมครับเวลาเดินจงกรมดูความคิดมันเกิดเกิดดับดับเห็นหนึ่งนาทีร้อยความคิดแบบนี้สามารถทําได้ไหมครับไม่ใช่เป็นวิธี ปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็คือไม่ให้คิดอย่าไปเห็นความคิดอย่าไปดูความคิดใช้การบริกรรมพุโทโธแลการเข้าดูการก้าวเท้าของเราเป็นเป็นที่ตั้งของสติอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปดูความคิดคุณศักดิ์สิทธิ์ครับถ้าคนรักของเราทำในสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ใจหนักเราควรจะวางใจอย่างไรครับเราก็ให้อภยัยเขาเเมตตา อย่าไปเที่ยเท่าก่อนเค่คุณมุ ก, กี้ครับลูกนั่งสมาธิจะให้เกิดเวทนาเจ็บปวดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นมากๆเพื่อทรมานจิตให้เจ็บปวดมากๆจะให้เห็นจิตบีบคั้นทุรนทุ ร, ทรายคำถามคือว่าจิตระเบิดออกเป็นความว่างได้ไหมครับเมื่อช้าเหมือนกันว่าเป็นมันระเบิดยังไงเป็นความว่างได้มันมันจะว่างก็าต่อเมื่อมันสงบเท่านั้นมันระเบิดไม่ได้จิต ต้องสงบมแล้วความว่าก็จะปรากฏขึ้นมาคุณชลาลัยครับมีความคิดเห็นพระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องทําบุญปล่อยปลาชนิดไหนห้ามกินปลาชนิดที่ปล่อยและทาบุญปล่อยโค ก, กระบือแล้วห้ามกินเนื้อครับไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันเรื่องทําบุญเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่ส่วน ถ้าวัวควายตัวอื่นมันตายเราก็กินได้ปลาตัวอื่นมันตายเขามีขายในตลาดก็ซื้อมากินได้ไม่เกี่ยวกันไม่ทราบเขาไปยงกันยังไงครไม่ทราบคุณสลารีครับบางครั้งเจอยุงเยอะกลัวกัดลูกเต๋ะน้อยก็เลยตบยุงเจอมแมลงก้นกระดกก็ต้องฆ่ามันกลัวกัดคนในบ้านรู้ว่าศีลข้อหนึ่งจะขาดทําอย่างไรได้บ้างหรือไม่ครับก็ไปเป็นอสุรกายโดเมนยางก็จะเป็นอสุรกาย กลัวก็มีแต่ความกลัวหุมหอ่อจิตใจก็อย่าไปกลัวแต่ก็คิดว่ามันแค่กัดกด็กัดไปสิมันก็เราก็มีวิธีป้องกันก็ป้องกันเนื่อนไล่มันไปก็ได้ไม่เห็นจะต้องไปฆ่ามันเลยคุณอัชาราครับถ้าเราทําบุญมากๆเพื่อหนีบาปในอดีตที่เราเคยทํามามากมายบุญที่เราทํานี้จะหนีบาปที่เราเคยทําได้หรือไม่เจ้าค้่นหนักให้เป็นเบาได้ไหมครับ ไม่ได้บาปที่เคยทําไว้มันไม่เบาลงจากการําบุญของเราแล้วก็จะหนีมันได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ว่ามันบาปมันมันถึงเวลาที่มันจะแสดงผลหรือไม่การทําบุญมันไม่ได้ม่ได้เป็นการไปห้ามไม่ให้บาปมันมันมันแสดงผลถ้ามันถึงเวลามันแสดงผลอันนี้หมายถึงในขณะที่เรามนชีวิตอยู่นะที่บางคนอาจจะรีบๆทําบุญก็คือเจ้ากรรมนายเวรนี้ตามมาไม่ทันอย่างนี เวลามันจะตามมาทันมันก็ทันไม่ได้เกี่ยวว่าเราทําบุญเพิ่ม ข, ขึ้นหรือไม่การทํำบุญของเรานี้เป็นการสามารถต้านกําลังของบาปได้ในะช่วงที่เราตายไปแล้วเวลาตายเป็นดวงวิญญาณของเรานี่จะถูกบุญหรือ บ, บาปมาฉุดลากไปทางใดทางหนึ่งอันนั้นบุญสามารถที่จะมาต้านกําลังของบาปได้ถ้าเราทําบุญมากกว่ากําลังของบาปบาปก็ยังไม่สามารถดึงใจเราให้ไปอบายได้ เพราะเรามีกำลังบุญมากว่าบุญก็จะดึงเอาไปสู่สุคติแทนอันนี้มีช่วงที่เราตายไปแล้วมันอยู่ภายใต้อำนาจของบุญหรือเปล่าแต่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่มันเรายังไม่สามารถที่จะไปไปต้านต้านบาปที่มันจะเกิดขึ้นได้ถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดบุญราตีครับ บอกว่าห้ามฆ่ า, าสัตว์ทํายากจางชอบตกยุงฆ่ามดจะอดไม่ได้ทํายังไงดีครับก็เราใช้เหตุผลในการฆ่ากับการไม่ฆ่ามันจะง่ายกว่กากันใช่ไหมการฆ่ า, ราต้องไปไล่ตบมันนะแต่ถ้าเราไม่ฆาก็อยู่เฉยๆไปทั้นเองมันจะไปยากตรงไหนเราชอบไปทําของยากของง่ายเราไม่ชอบทำมันก็ช่วยไม่ได้ คุณปิยพรครับเห็นข่าวเศร้าต่างๆตามสื่อโซเชียลทําให้เห็นว่าความทุกข์แห่งการเกิดและรู้สึกว่าชีวิตไม่แน่นอนทําให้รู้สึกไม่อยากเกิดอีกการคิดอย่างนี้จะถือเป็นปัญญาและจะทําให้ไม่ต้องมาเกิดอีกได้หรือไม่ครับก็ส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่ค้มบริบูรณ์เมื่อไม่อยากเกิดแล้วก็วต้องไปศึกษาวิธีว่าทํางาถึงจะไม่ไม่มาเกิดต่อไป คุณสิริพรครับนอนท้องพุทโธแล้วหลับไปแล้วมีอาการสงบเย็นว่างไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเย็นสบายแบบไม่มีอะไรจริงๆค่ะว่างอาการอย่างนี้เรียกว่าอะไรเดี๋ยครับเป็นมาสองปีแล้วจากนั้นไม่มาไม่เคยเป็นแบบนั้นอีกเลยซึ่งอยากจะเป็นอีกเพราะว่ามันสบายมากเลยครับมันก็เป็นการหลับสบายหลับสนิทหลับสบายั ใ, ใจไม่ปรแต่งใจไม่ฝันถึงแม้เราจะ อยาก จ, จะเป็นเหตุก็ทําแบบเดิมที่เหตุที่ทําให้มันเป็นเป็ น, ปนยังไงแล้วทำเหตุดังนี้นมันก็นปรากฏขึ้นมาใหม่น้องนิกครับเรียนถามพระอาจารย์ครับจิตปฏิบัติภาวนาอยู่นานแต่จิตใจในปุ่งซ่านไม่มีสมาธิเลยต้องเปิดหมอกลายให้จิตเข้าถึงความสงบได้บ้างครับขอความเมตตาต้องพยายามพุโทโธเรนะาตั้งแต่มีมีตาขึ้นมาแต่ขึ้นมาก็พุโทโธไปเลย ไปเตรียมตัวไปล้างหน้าแปลงควานาวน้ำไาไปแต่งเนื้อแต่งตัวช่วงนั้นไม่อย่าให้คิดให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วความฟุมม้งซ่านในจิตจะน้อยลงไปตามลำคุณกรครับบารมีสามสิบประการกตัวอย่างเช่นบาลมีชาตินั้นก็เน้นหนักไปทางอยู่ควบคู่ไปกับบาลามีอย่างอื่นได้ด้วยครับผมเข้าใจถูกไหมบาลมีนี่มีสิบประการเท่านั้น การศิปย์การนี้ไม่ทราบมาจากที่ไหนที่แต่ละภพแต่ละชาตินี้บางทีมันมีโอากาสให้ทำบรารมีอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกรณีพิเศษนอาจจะมีเหตุการณ์มีภาวะอะไรที่เราสามารถทำได้ในบรารมีนั้นเราก็ทำอะไรหมบรารมีนั้นคุณสราวิธีบริกรรมพุทโธเราจะท่องในใจหรือหายใจเข้า ไดออกบริกรรมโทรเริ่มปฏิบัติเริ่มต้นครับถึงจะถูกวิธีครับเออไม่ต้องอยุ่งกับเรื่องของลมหายใจเลยทำบริกรรมพุโทโธนี่ให้ท่องไปในใจเหมันสวดมนตนะ่ะเราสามารถท่องในใจได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ในเรียนอะไรไม่ว่าเราจะทําอะไรถ้าไม่ต้องใช้ความคิดเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธไปถ้าเราต้องการหยุดความคิดไม่เกี่ยวกับเรื่องลมหายใจเลยไม่ต้องไปไม่ไม่ต้องไ ป, ไไงไปยุ่กับเรื่องลมหายใจ ค, คุณใบหยกครับเวลาเรื่องสรัธาจนรู้เฉยๆจะมีแสงมาจากด้านข้างถ้าไม่ได้ฟังคำสอนที่ถูกต้องจากพระอาจารย์คงจะเอาจิตไปตามดูสิ่งนั้นแทนที่จะตึกคงจะกลายเป็นหลงต้นอวดตนไปแทนที่จะปล่อยวางครับถ้าปฏิบัติตนจนถึงสวดาบันแล้ว ความวิตกกอยากทําอะไรต่อหรือควรทําอะไรต่อไปครับก็อยากจะกำจัดความทุกข์ที่ยังลงหลืออยู่ในใจต่อไปความทุกข์ที่เกิดจากการมีความอยากจะมีเพศสัมพันธ์นีก็จะทุกข์เพราะมัน ม, ม, มีความอยากมันก็ต้องไปหาคู่หาคนมามาร่วมเพศ ด, ด้วยถ้าหาไม่ได้ก็โกรธเหงนองคานใจถ้าอยากจะแก้ปัญหานี้ก็ต้องกาด้วยการพิจารณาอัศวะดูความไม่สวยงามของร่างกาย เห็นว่าไม่สวยงามปั๊บมันก็จะไม่มีความอยากจะมีความร่วมเพศกับใครต่อไปคุณอรครับเกิดมาชาตินี้ผมมีบาอาจารย์หลายองค์ที่ผมเชื่อว่าท่านเป็นพระสุปฏิปันโนหลายองค์และได้อุปถากท่านแบบนี้หมายความว่าเคยสร้างบารมีมากับท่านใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่ชาติเหมือนกันนะว่าเดชชาติเป็นยังไงเรไม่รู้ คุณจีตครับเด็กกับผู้ใหญ่แตกต่างกันไหมครับเวลาตายแล้วไปอภัยคุณติครับไม่หรอกอยู่ที่บุญที่บาปในจิตใจของแต่ละคนคุณวรฒ น, นาครับการปล่อยสัตว์ใหญ่กับสัตว์เล็กผลบุญต่างกันไหมครับเห็นเขาว่าถ้าเราทำกับสัตว์ที่มีคุณค่ามีคนประโยชน์ก็ได้บุญมากก่ ทำกับสัตว์ที่มีคุณประโยชน์น้อยกว่าเช่นเดียวกับการทัฆ่ากับเงินฆ่าสิ่งที่มีประโยชน์มากผู้คนหรือสัตว์ที่มีประโยชน์มากกว่าก็จะเป็นบาปหนักกว่าฆ่าสัตว์ที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์คุณปอกับเพาครับการให้ผู้อื่นยืมเงินเพราะเขามาขอยืมอันนี้เป็นบุญไหมครับ ก็อยู่ที่ว่าเรา<ห>ยาวคืนหรือเปล่าถ้าเราคืนมันก็ยังไม่เป็นบุญมันก็เป็นการอาจจะเป็นบุญในการนีที่ช่วยเหลือเขาช่วยเขาช่วยเ า, าวแต่ยังยังไม่ได้ให้เงินทอนเข้าไปแบบขาดใจขาดไปเลยช่วยเขาแบบขานไปเลยก็เป็นอารเป็นการช่วยผ่อนบรรเทาความทุกข์ยากเดือแล้วนเขาในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เป็นทานง่ายๆยังไม่เป็นการทําทานถ้าเป็นการทําทานก็ให้เข้าไปเลย คุณอาจภากรครับกำลังเดินทางกลับกรุงเทพฟังพระอาจารย์ไปด้วยเห็นปัจจุบันขณะที่นั่งอยู่ในรถแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพอรถก็เคลื่อนไปเรื่อยๆก็จะเอะใจขึ้นมาว่าแม้แต่ปัจจุบันก็ไม่มีมันตั้งอยู่นิดเดียวก็เปลี่ยนแปลงอีกแล้วอย่างนี้หนูเข้าใจถูกต้องไหมคะและจะทําอย่างไรให้มันเข้าใจจนปล่อยจะวางจากใจได้จริงๆครับพยายามรับการเปลี่ยนแปลงไปนั้นอย่าไปยึดติดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นมัน มื่มันเปลี่ยนจากอย่างนี้ไปเป็นอย่างนั้นเราก็รับมันไปท่นเองเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเพราะอดีตมันผ่านมันผ่านไปแล้วปัจจุบันมันเป็นอย่างหนึ่งแล้วแล้วเดี๋ยวปัจจุบันก็เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งปัจจุบันมันก็กลายเป็นอดีตไปอนาคตมันก็มาเป็นปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาให้เราสัมผัสรับรู้ไปเราก็จะไม่ทุกข์ คุณปูเป้ครับพระอาจารย์ค้าความฝันหนูหายหนูก็ตกใจความฝันสามารถหายได้ด้วยปัจจุบันความฝันก็ไม่มาเพราะถ้ามาหนูก็จะโพสต์ความฝันลงเฟซเลยเมื่อสู้กับกิเลสในใจมันเอาความฝันไปด้วยหนูคิดถูกไหมคะกิเลสมาพร้อมกับความฝันไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี้ไม่ทราบความหมายวเป็นยังไงฟังแล้วไม่เข้าใจครับคุณองังหุ่นเปรี้ยวครับ การฝึกนั่งสมาธิเบื้องต้นด้วยการฟังธรรมบัญญายก็คู่ไปด้วยถือว่าเป็นการฝึกสมาธิด้วยไหมครับก็เป็นเหมือนกันแต่จะได้สมาธิที่ไม่ลึกสงบไม่มากเท่ากับการที่เรานั่งดูลมหายใจเข้าออกคุณเบนครับคุณแม่ป่วยวันนี้ไปถวายผ้าห่มองพระกุศลบุญจะส่งถึงคุณแม่หรือไม่ครับแกอยากถวายผ้าห่มแต่ก็แต่แกไปไม่ไหวครับ ถ้าเป็นการนำเหล็กของแม่แล้วเป็นของเป็นทรัพย์ของแม่แล้วเป็นของของแม่เนี่ยแม่ก็จะได้บุญแต่ถ้าไม่ไม่ได้เป็นการนำเหล็กเป็นการเอาเงินเอาทรัพย์ของแม่ไปทำมันก็จะไม่ได้บุญถ้าเป็นเงินของคนอื่นเป็นของของคนอื่นไปทำเนี้แม่ก็ไม่ได้บุญคุณรัตพันธ์ครับสีแปดไม่แต่งหน้าแต่ทาครีมกันแดดครีมบำรุงผิวที่ไม่มีเนื้อหอมได้ไหมครับ ถ้าเป็นการรักษาร่างกายก็ได้แต่ถ้าเป็นการเสริมความงามก็ไม่ไม่ควรไม่ได้เราไม่นอนการที่จะรักษาความงามของร่างกายเพราะเรายอมรับความจริงว่าร่างกายมันไม่เที่ยงมันก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆเป็นธรรมดาแต่ถ้ารักษาเพื่อไม่ให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่ก็ทําได้ใช้เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บก็ทําได้คุณสิวารินครับ ทำสมาธิแล้วจิตคิดฟุ้งซ่านหรือตกพวังหลับไปจะได้บุญไหมครับไม่ได้เราะฟุ้งซ่านก็ไม่ได้หลับก็ไม่ได้ต้องสงบถึงจะได้บุญคุณชะลาลัยครับสวดอิติปิโสเท่าอายุบวกหนึ่งถ้าปีนี้เดือนกันยายนจะอายุครบสี่บสามต้องสวดสี่บสองบวกหนึ่งครบเดือนเกิดถึงก็สวดส3บสามบวกหนึ่งอโยมเข้าใจถูกไหมครับก็ไม่รู้แหละก็อนนี้เป็นเรื่องของการสมมติขึ้นมา คุณอมนยาคะไปวัดมาเกือบยี่สิบปีทําบุญให้ญาติและผู้ที่ลุ่งรับไปแล้วตลอดเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้รับหรือไม่ครับถ้าเราไม่มียานเราก็ไม่รู้ก็ทําไปเผื่อไว้ก็แล้วกันส่วนใหญ่ที่ผู้ที่ได้รับแน่นอนก็คือเรานะั่นนะเราจะได้บุญถ้าเราไม่ทําบุญเราก็ไม่ได้บุญถ้าเราทําบุญแล้วเราก็ได้บุญล้วเราอยากจะแบ่งบุญนี้ให้กับผู้นก็แบ่งได้แต่ผู้ก็จะมารอนรับหรือไม่เราอันนี้เราไม่รู้ คุบอนนี้บอกว่าอ่านพระวจนะพระพุทธเจ้าหนังสือของหน้าป่าพงโสดาบันต้องบวชเท่านั้นหรือครับไม่หรอกก็การบรรลุเป็นโสดาบันก็ะจะกายทิฏฐิละสังโยชน์สามข้อแรกได้จะเป็นคารวาะก็ได้เป็นนักบวชก็ได้พิ้งแต่เป็นนักบวชจะง่ายขึ้นเข้าตรงไ ง, ไง่ายใช่จะมีเวลาปฏิบัติได้มากขึ้น แต่บางคนนี่อาจจะมีปฏิบัติมาจากชาติก่อนแล้วสมมุติพาฟังธรรมแา้วบรรุเป็นพระสวดามันเลยได้ก็มีอันนี้ก็เป็นเรื่องของของก็งเรียกอินทรีย์หรือพลังของจิตถ้ามีสติสมาธิปัญญามากพอก็บางทีก็สามารถที่จะเข้าใจและบรรลุละสกายาทิฏฐิได้ละธรรมยุทข้อสา็ข้อื่นได้มันก็บรรลุได้ ถ้ามันไม่มีฟังแล้วไม่บรรลุก็ต้องก็ต้องศึกษาต้องปฏิบัติไปถ้าเ่าอย่างนี้ต้องศึกษาต้องปฏิบัติอยู่การไปบวชมันก็จะมันก็จะสะดวกกว่าการไม่ได้บวชนะครับวิธีการเรียนหนังสือในในโรงเรียนการเรียนหนังสือนอกโรงเรียนอันไหนมันจะมันจะดีกว่ากันเรียนในโรงเรียนก็มีครูมีอาจารย์มีเวลาที่เรงเรียนเต็มที่แต่ถ้าเราเรียนแบบนอกโรงเรียนเราก็อาจะต้องแบ่งเวลาไปทํางานทำโน่นทํานี่เวลาที่เราจะมา ้กับกกคุณเอสเจครับพระอาจารย์ครับวิตกกังวลต้องทําอย่างไรให้ความวิตกกังวลลดลงหรือใช้กรรมฐานอะไรดีครับก็ต้องใช้ความจริงนะความจริงก็คือไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนจะไม่วิตกไปกังวลก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรไม่เกิดมันก็ไม่เกิดก็ให้คิดแบบนี้คิดมองความจริง แล้วเราก็จะหาวิธีตอบคายกังวลคุณจักริดครับ เ, เคยตกงานต้องยืมเงินญาติมาใช้แต่พอมีงานทําแล้วใช้เงินคืนหมดทุกอย่างแต่ตอนหลังญาติก็มาขอยืมเงินผมหลายๆครั้งโดยไม่คืนผมก็ไม่เคยทวงเพราะผมคิดว่าเขาเคยช่วยเรามาก่อนขอคําแนะนำจากพระอาจารย์ให้ตัดใจยอย่างไรครับเมื่อคิดว่าเราเป็นการทําบุญเนี่ยเราก็ได้บุญไปเขาก็ได้เงินไป เม่เวลายมมเอามันไปซื้อของถวายวัดเนี่ยมันเขาก็ได้ของไปยอมก็ได้บุนไปก็เป็นการทําบุญไปคุณเพนครับทําไมการฆ่าตัวตายถึงถือว่าเป็นบาปมากครับเพราะว่าเราลักตัวเรามากมที่นี่ชีวิตของเราม่คุณค่ามากการฆ่าตัวเรามันก็บาปมากกว่าเป็นการไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสัตว พวกเขาไม่มีคุณค่าเท่ากับกับชีวิตของเราคุณประชาครับเวลาศึกษาธรรมะนานๆจพะพบว่ามีคําสอนบางอาจารย์ขัดพระไตรปิฎกอาจารย์บางคนก็บอกว่าพระไตรปิฎกอัดเพี้ยนจากการจำการเขียนการแปลกรณีแบบนี้จะต้องพิจารณาเองว่าจะเชื่อพระไตรปิฎกหรืออาจารย์ใช่ไหมครับอันนี้ก็น่าไปปฏิบัตนะิมันก็จะตัดสินใจตัดสินได้ด้วยการปฏิบัติ ว่าอย่างไรผิดอย่างไรถูกคุณนานาครับถ้าเราพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่เขาคิดมาคิดเขาถือเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเขาเอาหนังสือธรรมะไว้หน้าพระย้ายจากชั้นวางของซึ่งเขาว่าชั้นวางอยู่ใต้ห้องน้ําตำแหน่งชั้นวางอยู่ใต้ห้องน้ําซันบนเลยย้ายหนังสือธรรมะที่เราตั้งใจเขาอ่านแต่เอาไปวางที่หน้าพระหนูควรเตือนแบบไหนที่จะสะกิดใจเขาได้ว่าหนังสือหรือพระพุทธ เขาไม่ถือเรื่องพวกนี้ค่ะใจนึงก็อยากรักษาน้ําใจเขาเอาที่เขาสบายใจจนมาเจอเรื่องหนังสือนี่แหละหนูคิดว่ามันไม่ถูกกลับพระอาจารย์ครับมันเรื่องของเขา่มันไม่เกี่ยวกับเราทัานหน่อยเนะราไปโยกเขาทําไมขอถามพระอาจารย์ครับมีวิธีสวดมนต์แบบย่อๆต้องสวดบทไหนครับสวดพุดโทโธนะเอาคําเดียวเนะนี่ยพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป แต่ต้องสวดให้นานๆยอดแต่มันต้องนานไม่ใช่ยอเพื่อใํ้มันสั้นๆยิ่งสวนนานเท่นาไหร่ยิง่งยิ่งได้ได้สติมากขึ้นทั้งนั้นคุณนิชาพรครับการที่เราไม่รับสายพระรูปหนึ่งที่โทรมาบอกบุญเรื่อยๆตลอดตั้งแต่โควิดแล้วหนูก็ทำบุญไปตลอดและมีเรื่องบอกบุญเรื่องขอค่าเดินทางไปดูวัดที่ท่านสร้างที่ประเทศเพื่อนบ้านหนูก็ทำตลอด แต่พอปีใหม่นี้หนูไม่ได้รับสายหลายครั้งท่านเอาเบอร์อื่นโทรมาหนูรับสายท่านก็บอกว่าท่านจะเดินทางไปที่ดูวัดที่บอกเขาโอนค่าเดินทางไปหนูรับสายท่านก็ให้เลขที่บัญชีมาเหมือนเดิมแต่รอบนี้หนูไม่ได้โอนเพราะรู้สึกแปลกๆหนูวางใจออกจากเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนเรารับปากแล้วแต่ไม่ได้โอนรู้ว่าคนวางใจเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วครับก็อยู่ที่เราไปพูดกับท่านอย่างไรถ้าเราไปพูดว่าเราจะอ โอนเราก็ต้องโอนม่อย่งนั้นเราก็เสียสัจจะถ้าเราไม่โอนเราก็บอกท่านไปแล้ ว, ว่าตอนตอน้นว่าต่อไปนี้ไม่โอนให้แล้วน ะ, ะไรน้อยู่ที่เราอยู่ที่เราทําตัวของเราไม่มีใครบังคับให้เราทําบุญกับท่านเราจะทำกับท่านก็ได้ไม่ทํากับท่านก็ได้ไม่ทําบุญกับท่านก็ไม่ได้เป็นบาปแต่อย่างใดเพียงแต่เราก็ไม่ได้บุญเท่านั้นเอง คุณสุปทรงสวัสดิ์ครับเวลาเราเสียชีวิตจิตของเราคนนี้ใช่ไหมที่ต้องไปนรกหรือไปสวรรค์เพื่อรับรู้สึกอีกครั้งครับใช่กิจอันนี้กิจของเราเหมือนกับตอนนี้เรานอนหลับเนตอนนอนนอนหลับแล้วก็ไปนรกไปสวรรค์ชั่วข้าวเวลาเราไปฝันนอนหับเราเวลาฝันดีเราก็ไปสวรรค์เวลาฝันร้ายเราก็ไปนรกคุณวรนธนาครับ ความเจ็บปวดหลังผ่าตัดไม่ทานยาแก้ปวดโดยนึกถึงพุโทโธตลอดความเจ็บปวดจากแผลก็ไม่มีเลยครับก็ดีแค่ น, นั้นไม่ต้องไปเปิเพิงยาและยาบางครัง้งบางคราวมันก็มีผลข้างเคียงด้วยต่อร่างกายถ้าไม่ไม่พึ่งยาได้ก็ยิดีคุณออนอานง ค, ครับนั่งสมาธิสงบบ้างไม่สงบบ้างเรานั่งบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปไม่ต้องสนใจความคิดต่อไปถูกต้องไหมครับ ให้อยู่กับธรรมะกรรมอย่าไปอย่าไปให้มันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าคิดก็อย่าไปสนใจให้กาะต่อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆแล้นเองมันก็จะสงบเองคุณสโรยาครับนั่งสมาธิไปสักพักจะเกิดทั้งชาทั้งปวดเวทนาที่ขาข้างขวาทําทุกครั้งจะมาติดตรงนี้ทำยังไงข้ามจุดนี้ไปได้ครับก็อย่าไปสนใจไปมันปวดไปล้ว ก, เก็เราก็นั่งสมาธิของเราต่อไป แตยนั่งเฉยๆแล้วต้องนั่งโดยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปใ ห, ให้เกอะแต่อยู่กับพุโทโธอย่าไปคิดถึงความปวดแล้วเดี๋ยวพอจิตปล่อยวางได้จิตสงบความปวดก็จะไม่มารอบควนใจคุณแคทครับขอทราบข้อธรรมครับกายในกายจิตในจิตเวทนาในเวทนาครับก็คือเรื่องของการเรื่องของจิตเรื่องของเวทนาความหมายครับ คุณมาลีครับคําว่าบารมีเต็มเกี่ยวกับทานเต็มศีลเต็มสำหรับคารวาสทั่วไปต้องใช้ปริมาณแค่ไหนระดับไหนถึงจะถือว่าเต็มแล้วจึงเห็นธรรมะที่แท้จริงได้ครับอ๋อ้าติศีลห้าก็ต้องศีลห้าเต็มตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วทุกวันตลอดไม่มีวันไหนที่ขาดเยอันนี้ก็เลยว่าเต็มถ้าวันใดวันหนึ่งขาดเพอไปกินไปเดินโซลากับเพื่อนมันเกิดเพื่อนมาเลยไปฉลองเดินโซลาอย่างนี้ก็ไม่เต็มละ หอเผลอไปโกหกไปพูดปดนี้มันก็ไม่เต็มนะถ้ามันเต็มมันมันต้องไม่ไม่ไม่ขาดเลยแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับคุณเจษฎากรครับอยากอยู่ในสภาวะที่มีสัมมาสติอยู่ตลอดเวลาเห็นจากภายในมีสัมมาสมาธิตลอดเวลาสามารถทําได้ไหมครับต้องปฏิบัติสติสมาธิแล้วก็ปัญญา เอกพุทธครับในการปฏิบัติจนถึงขั้นที่จิตใจไม่รู้สึกทุกข์สุขหรือรูปนามต่างๆเป็นการที่จะมาถูกทางที่แก่นทางของวิมุติแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ใช่เราจิตก็ยังมีความ ร, รับรู้อยู่สุขทุกข์เพียงแต่จิตไม่ไปทุกข์กับมันนั่นเองเช่นสุขทุกข์ทางร่างกายก็ยังรับรู้อยู่เวลาร่างกายกินอาหารอิ่มก็รู้ว่ามันสุขเวลาร่างกายหิวก็รู้ว่ามันทุกข์แต่จิไม่ไปทุกข์กับความอิม่มหรือความหิวของร่างกาย อาฉจารยนครับแล้วความรู้สึกรสชาติอร่อยอะไรงนี้มีอยู่ใช่ไหมครับก็มีแต่ว่าอยากไปยินดีกับมันมันรู้ว่าอร่อยก็อร่อยถ้าคราวหน้าไม่มีก็ไม่ก็อยากไปอยากให้มันมีอย่าไปอย่าไปทําให้มันเกิดตัญหาตามมาพอเกิดตัญหาแล้วเวลาไม่ได้มันก็จะทุกข์แต่รู้ว่ามันอร่อยก็รู้ว่ามันอร่อยแต่กินแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ลืมมันไปไม่ไปยุ่กับมันนี้ไม่ไปยึดติดกับมัน ทรางหน้าจะมาเรามีกินจะมีกินแบบนี้หรือไม่ก็ไม่ไม่สนใจแล้วแต่มีอะไรก็กินไปตามมีตามเขื่อนคุณแพทครับโยมมักจะต้องเป็นคนกลางระหว่างคนสองคนที่มักจะมาบวนอีกฝ่ายแต่ต่อหน้าพูดดียมไม่เลยเอาคําพูดไม่ดีไปเล่าเพราะไม่อยากให้พวกเขาเสียใจรู้สึกอดึดที่ต้องพยายามทําแบบนี้ควรทําอย่างไรครับ ก็ขอตัวเวลาก่านเข้ามาเล่าอะไรเราฟังก็บอกไม่อยากจะฟังเรื่องของคนอื่นเราคุยเรื่องของเรากันดีกว่าเรื่องของคนอื่นไม่เนี่ยขออนุญาตไปพูดพูดแบบสภาพเรียบร้อยคุณปิยพ์ครับฌานจะทําให้ปัดกิเลสและบรรลุธรรมได้อย่างไรครับฌานมันจะมันจะหยุดความอยากได้ไงถ้าไม่มีฌานมันไม่ยอมจะไม่มีกําลังหยุดความอยากแต่จะบรรลุธรรมได้ต้องเห็น ตเ้เห็นเหน็นด้วยปัญญาว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทําให้ใจทุกข์ถ้าไม่มีปัญญาก็จะไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทําให้ใจทุกข์ก็จะไม่ไปหยุดความอยากปล่อยให้มันอยากพอปล่อยให้มันอยากใจก็กก็็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาคุณเวลาครับเป็นพระนะครับกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับผมสมัยอยู่กับหลวงปู่บุญมีปริปุนโน อยู่ด้วยการเคยอ่านหนังสือทำมาบนเข่าให้หลวงปู่ฟังทุกคืนหลวงปู่เคยชมพระอาจารย์ครับผมหลวงปู่บอกว่ารู้จักกับพระอาจารย์อยู่ครับเคยอยู่ด้วยกันครับคุณฟารณโฟรครับปฏิบัติไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีศีลมีแต่บุญกับบาปแบบนี้จิตเกิดมิจฉาทิฐิไหมครับถ้าเกิดนะถ้านทำบาปถือว่านี้เป็นมิจฉาทิฐิแล้วยัเห็นว่าบาปเป็นสิ่งที่ดีถึงยังกล้าทําอยู่ ต้อเห็นว่าบาปไปเหมือนเอาสารพิษเนี่ยเป็นงูพิษนีจะไม่กล้าไปแตะต้องมาเลยจะไม่กล้าไปทําบาปเลยถึย่จะเป็นสัมมาทิฏฐิคุณสราวุธครับเวลาทําบุญทุกครั้งเราควรอธิษฐานจิตยอย่างไรครับอธิษฐานมาขอให้ทําบุญบ่อยๆทําบุญมากๆทำบุญเรื่อยๆอย่าไปขอเพราะว่าการขอขอผลนี่มันขอไม่ได้ แต่เราขอทําเหตุได้แล้วก็อนธิษฐานที่ที่เหตุขอให้เราถ้าทาบุญเยอะๆทําบ่อยๆทํามากๆแล้วผลของของจากการทําบุญมันก็จะเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องขอนั่จะไปขอผลที่ไม่ได้เกิดจากการทําบุญก็ขอไม่ได้อยู่ดีการทําบุญก็จะทําให้เราไปสวรรค์ น, นี้ได้ทาให้เรามีความสุขใจอิ่มใจอ น, นี้ไม่ขอไม่ขอมันก็ได้อยู่แล้วแต่จะขอให้ร่าให้ ร, หรวยนี่มันไม่ได้ ยิ่งทำบนมันยิ่งยากจนใหญ่พราะต้องใช้เงินมาทำคุณอดิศรครับปฏิบัติจเจริญภาวนาสมาธิทุกวันอย่างต่อเ น, นื่องเช้าเย็นไม่คาดหวังหรือไม่ต้องรู้ว่ามีความเจริญมากน้อยเพียงใดจะปฏิบัติสะสมต่อไปเนื่องไปเรื่อยๆนะครับค่คุณ <c oughs> อาจารย์อ่างครับเธอได้ยินมาครับเรื่องพ่อแม่ทำบาปบาปจะตกไปที่ลูกเป็นจริงไหมครับ ไม่จริงรอะบาปใครบาปมันคุณซุขครับไปปฏิบัติธรรมที่วัดมาสองเดือนกลับมาโดนที่บ้านตําหนิว่าเห็นแก่ตัวไม่ช่วยทํางานทำมาหากินตอนนั้นเกิดวิวาทะโต้เถียงกันที่ปฏิบัติมาสองเดือนถือว่าสอบไม่ผ่านครับอยากจะขอคําแนะนําหน่อยครับว่าผมจะจัดการกับที่บ้านยังไงดีครับก็เฉยๆไ ป, ไปไปก็พูดไปก็แล้วกัน เราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะคิดยังไงเขาจะพูดยังไงก็ปล่อยเขาคิดไปพูดไปเราก็อย่าไปตอบโต้เฉยๆไปคุณวรนธนาครับสมัยเด็กบังเอิญทําบาปโดยการฆ่าสัตว์โดยไม่รู้เรื่องว่าเป็นบาปแบบนี้เมื่อเราโตขึ้นจะต้องทําอย่างไรดีครับอาบาปที่ทำไปแล้วมันมันไปเปลี่ยนไม่ได้ไปลบไม่ได้เราทําได้เค้ยเราอย่าไปทําอีกต่อไปเถิดเพราะเราร่วมไม่ไดีด คุณอ้ําครับเพราะสัตว์เลี้ยงเพื่อขายคนนําไปเลี้ยงบาปไหมครับถ้าเขาเอาไปเลี้ยงไม่ไปฆ่าเขาไม่บาปแต่ถ้าเขาเอาไปฆ่าก็เราก็มีส่วนส่วนการส่งเสริมให้เขาฆ่าแต่เราอาจจะไม่ได้บาปโดยตรงเป็นอาจจะเป็นการส่งเสริมเป็นอาชีพที่ไม่ควรจะกระทำแต่ไม่เป็นบาปยังไม่เป็นบาปคุณอินพาครับทําไมการเมตาตาต่อสัตว์ รู้สึกดีกว่าไม่ตาเพื่อนมนุษย์แบบนี้บุญจะเท่ากันไหมครับเพราะเราอาจะรู้จักมนุษย์ดีกว่ารู้จักสัตว์ก็ได้เราอาจะมองสัตว์ในแง่ดีแต่พอเรามองมนุษย์เราไป ม, มองเขาในง่ไม่ดีมันก็เลยทาให้เราทําบุญกับมนุษย์ยากแต่เราทำบุญกั บ, บะกับสัตว์ง่ายกว่าเพราะเราเห็นมองแต่แง่ดีของสัตว์เราจะไม่ได้มองถึงแง่ไม่ดีของสัตว์มันมีเหมือนกัน คุณสีดิลักษ์บอกว่าข้าวหมากจัดเป็นเมลัยไหมครับคือถ้ามันเดื้กินเข้าไปแล้วท้องให้เกิดอาการเมินมากขึ้นมานะก็ถือว่าเป็นโซลาเมลัยพานจะไม่ดีถ้ากินเข้าหมากกันเพราะถือว่ามันมีมันมีโซรา ม, มีเมลัยเป็นเป็นส่วนผสมอยู่คุณสีดิชัยครับผู้ที่เข้ากระแสประโสดาบันขึ้นไปได้สองปีแล้ว สิ่งที่เคยผิดพลาดทั้งรู้และไม่รู้ต้องทําใจยอมรับผลนั้นปัจจุบันทําให้ดียิ่งๆขึ้นไปเพื่อตอนเองและผู้อื่นใช่ไหมครับเระบวนการทําผู้ตนเองก่อนทำให้พ้นทุกข์ก่อนเมื่อทาให้พ้นทุกข์แล้วก็ไปทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปคุณสิวัตรครับความเป็นผู้หญิงปฏิบัติได้ลําบากกว่าผู้ชายความเป็นหญิงมีผลต่อการบรรลุธรรมหรือไม่ครับขอวิธีปฏิบัติสำหรับผู้หญิงที่ไม่ได้บวช ด, ด้วยครับ มันก็ทางล่างการมันอาจจะมีมีความยุ่งยากกว่าผู้ชายก็ได้ท่นผู้ชายนี่สามารถไปอยู่ในที่เปลี่ยวที่ที่สงบวิเว้ได้แต่นผู้หญิงนี่อาจจะไปไม่ได้เพราะเป็นเพศที่จะอาจจะถูกคู่คุกคามได้อันนี้เราก็ากต้องปรับต้องหาที่ที่มันปลอดภัยที่ไม่มีใครมาคุกคามเราแต่ถ้าเรามีความเพียรพยายามจริงๆมันก็บรรลุทำได้เหมือนกันอาจจะช้า ทำวรือยากต่างกันเท่านั้นเองคุณปี๋นั่งสมาธิท่องพุโทโธตลอดแต่มีอื่นและพยายามกลับเข้ามามีวิธีฝึกสติอยา่างไรไม่วอกแวกครับก็ยังต้องพยายามฝึกพุโทโธไม่ใช่แต่เฉพาะช่วงที่เรามานั่งเท่านั้นเองเราควรฝึกพุโทโธไปทั้งวันเลยทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเราเราหลับเท่านั้นที่เราไม่ไม่ฝึกพุโทโธ ถ้าเราทําแบบนี้ได้แล้วจิตจะไม่วอกแวกคุณไบหยกนะครับอาจารย์คือ ท, ทําทางที่ไม่เสริมคนที่เริ่มต้นไม่ไปในทางของตนเสด็ดลูกศรทธาแนวทางของพระอาจารย์ที่เย็นและเบาสบายอีกเจ้าขาดทาของท่านเด็ดขาดหนักแน่นมากเจ้าค่ะคุณกาลยาณีครับเอาลูกรกที่เหยียบมาที่บ้านแล้วสัตว์ตายไป เราไม่รู้จะดูแลยังไงแต่ผ่านเห็นเขาบาดเจ็บครับถ้าเราไม่ได้มีเจตนาและเราไม่ไทําให้เขาตายก็เรา ไ, ได้คุณสลาวุธครับการกราบีบูชารูปภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วถทุกวันเ ร, เราได้บุญไหมครั บ, ร บ, บ, บถ้าเรากราบแบบไหนถ้าเรากราบแล้วเราเราเล็งถึงคําสั่งคําสอนของท่านแล้วนอนเอาคําสั่งของท่าน ไปปฏิบัติแล้วก็ได้บุญบุญเกิดจากการการปฏิบัติไม่ได้บุญเกิดจากการการเฉยเฉยการเฉยเฉยนี่มันเพียงการให้เราเลิกถึงคําสอนของท่านเราเลือกถึงพฤติกรรมดาเนินชีวิตของท่านแล้ว เ, เอามาเป็นตัวอย่างในการดําเนินชีวิตของเราอย่างนั้นก็จะเป็นบุญุวิไลครับไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วเล่นไพ่ติดห้าไหมครับ ไม่ผิดหรอกนิพายไม่กระเทวว่าเป็นอบายยมุกนั่นเองไม่ได้ผิดศีลแต่ก็ไม่ควรนั่นคนวรควรจะนั่งสมาธิกันดีกว่าครับครับความปวดความเครียดและความทุกจากการานี้จเอาใจให้พ้นจากทุกจากความเครียดจากทุกได้อย่างถูกตองก็ต้องพิจารณาให้รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นจิต ที่มามาเชื่อมต่อมายึดร่างกายเป้นที่มือในการที่เราจะต้องการทําเราต้องมีร่างกายร่างกายก็เป็นเหมือนเป็นเหมือ น, น, นชีวิช้ของเราถ้าเราสามารถวิเคราะห์ให้เห็นว่าเป็นชี่ิตชตัวเราได้เราก็จะลดความเครียดลดความทุกข์ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเราคุณสุภัตราครับ ทำบุญไหว้พระตลอดแต่ทำไมชอบมีคนมามขีดหรือเขาเป็นมารมาสอนเราครับอ่าธรรมดาอยู่ในโลกนี้ก็มีทั้งคนรักเกลียดเราไม่ใช่มีแต่ค้อเกียดติเราเพีงอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับการทำบุญหรือทำบาปคนละเรื่องกันคุณ anonymous ครับมีวิธีการแยกขายอย่างไรในการเ<ๆ>ล่าเรื่องที่คนที่มีสัมาทิฐิในการปฏิบัติ ผู่ชาปฏิบัตินั่งสมาธิอยู่เสมอแต่มีการสวดมนต์จุดทุกทุกครั้งมีความเชื่อในเรื่องอภินิหารมากก็เราไปยุ่งกับเขาทําไมเนาะเขาจะทำอะไรไม่เขาถ้าช่วยเขาได้ก็ต้องให้เขามาถามาถ้าเขาเขาไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกถ้าไม่ถามเราเราก็บอกเขาได้แต่ถ้าอยู่ดีๆเราไปยุ่งกับเขาค่อเดียวข้อจ๋ามากๆมาอะไรเขาทำไมไม่ควรไปยุ่งกับเขา ครั บ, รบเรียนถามพระอาจารย์ครับบาปที่ทากับพ่อแม่ไใจหรือไม่ตั้งใจจะแก้ไขก็อย่าไปทำต่อเท่านั้นเองถ้ารู้เป็นบาปไม่ดีก็อย่าทำแต่บาปที่ทำไปแล้วเราไปล้างม่ลบล้างมันไม่ได้คุณสง่าครับผมท่าคือมีมแมลงตายติดอยู่หน้ารถเราไม่ได้ตัง้งใจนี่ครับอันนี้ไม่บาปเร้ว วิ่งไปล่าสุนัขวิ่งตัดหน้าลรถลังแล้วชนตายก็ไม่บาปแล้วไม่มีเจตนาไคุณเพียงแค่แม่เพิ่งเสียได้สวดมนต์ให้แม่ฟังจะช่วยให้บุญถึงแม่การสวดมนต์นี่ไม่ไม่ได้เป็นการเป็นการสร้างบุญที่จะอุทิศได้เพราะบางทีการสวดของเรายังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นบุญยังไม่มีผลเืิดความสงบขึ้นมา จึงไม่นิยมใช้การอุทิศบุญด้วยการไหว้พระ ส, ส่วนมนต์อาจจะนิยมให้ทําบุญทําทานเพราะทําบุญทําทานนี่ผลโทรมูลเกิดขึ้น ท, ทันทีสามารถอุทิศไปได้ทันทีแอนครับเวลาภาวนาพุทโธแล้วรู้สึกอึดอัดห <c oughs> ายใจไม่ดแนวทางการปฏิบัติครับก็อาจจะ ยังไม่พร้อมที่ใช้พุโทโธก็ลองใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดบทอ e ิติปิโสไปเรืร่องทีบาคนก็ใช้การฟังเทศทางธรรมไปก่อนก็ทำให้ใจสงบลงในระดับหนึ่งแล้วค่อยมาลองใช้พุโทโธหรือมาดูลมหายใจต่อไปอาจารย์คําถามสุดท้ายครับตั้งใจจะบวชพระแต่กลัวไปไม่รอดกลัวสึกออกมาก่อนการลองไปอยู่แบบพระถือศีลภาวนาจนมั่นใจว่าอยู่ได้วิธีพอใช้ได้ไหมครับ ใช่ก็มีวิธีการเมื่อนก่อนมีชาวต่างชาติก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาอยู่เขาจะไปบวชกับพระว่าของสายหลว ง, งพ่อชาติที่อยู่ในอเมริกาเขาว่าก่อนจะบวชได้นี้ต้องเป็นพระขาวอยู่หนึ่งปีก่อนแล้วพอเป็นมาพระขาวหนึ่งปีแล้วให้บวชเป็นเองอีกหนึ่งปีก่อนเพื่อให้บวชเป็นพระได้เพืที่จะได้ซ้อมฝึกไปเรื่อยๆก่อนแล้วทดสอบดูจิตใจว่าจะบวชได้จริงหรือไม่ อันนี้ก็ว่าปฏิบัติส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้จะไม่จะไม่ให้บวชทันทีใครจะบวชก็มาอยู่ที่วัดก่อนมาถึงศสิ่แตกก่อนมาฝึกไปก่อนต้องดูว่าสามารถที่จะอยู่ในในในวัดในแล้วก็ปฏิบัติได้ไหมถ้าปฏิบัติได้ต่อไปเขาก็บวชให้ได้ไม่เป็นปะัญหา ขอปรกาศครับอาจารย์ครับวันนี้มีผู้ฟังธรรมใน f a c e b o o หนึ่งันสิบกคนครับใน y o u t u เจ็ดร้อยสิบสามคนในคลับเ o u s e 9ก้าคนครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมหนึ่งพันเจ็ด้อยสาสิบคนครับอาจารย์ครับวันนี้ก็เยอะหน่อยนะทันเจเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีความสนใจในธรรมและหวังว่าในวันหนึ่งท่านก็คงจะได้รับสัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทป่ว การสัลนาทำสาหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าแน่ธรรมยิ่งขึ้นไปเธอสาธุ <c oughs> ก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุการข้าวันใดก็คงจะได้พบกันอีกในอทิตน้าเช่นเคยขอใจอพร ขอบคุณพระอาจารย์ครับ